ขอคารวะคุณเจ้าข อ, ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านช่วงนี้เป็นฤดูกระถินนะมีการทอดกระถินหลายวัดที่ว่าธรรมาก็พุ่งเสร็จแล้วคิดว่าญาติโยมหลายท่านก็คงจะมีกำหนดจะไปทอดกระถิน ตามว่าต่างๆก็เลยอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะเป็นเรื่องของหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์อถ้าเป็นพระสมัยราชการที่สามราชการที่สี่ซึ่งพวกเราคงรู้จักดีอย่างน้อยก็รู้จักชื่อของของท่านนะพระเครื่องที่ชื่อว่าพระสมเด็จนี้ก็ ก็คือพระที่หลวงพระโตท่านได้สร้างขึ้นมามีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งท่านจะไปทอดกระถินที่วัดวัดหนึ่งซึ่งอยู่เลยกรุงเทพขึ้นไปนะประมาณอายุทยาหรือว่าอ่างทองเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยการสัญจรก็ต้องใช้เรือ เพราะวัดเนี่ยอยู่ริมน้ำทั้งนั้นแหละเพราะสมัยก่อนเนี่ยรถยนต์เนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นทางคมนาคมที่พึ่งพาสายได้ก็ใช้แม่น้ำหลวงพ่อโตก็ไปกับลูกศิษย์พร้อมกับองค์กรถิน่นแล้วก็บริวารเต็มเรือเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีเมตตากรุณาอยู่แล้วแถมเป็นพระร า, าชคณะชั้นสมเด็จ ด, ด้วย แต่ว่าต้องใช้เวลาสองวันนะกว่าจะถึงเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยไปไม่ถึงก็ต้องค้างแรมกลางทางหลวงพ่อท่านก็ไปพักที่ในโบสถ์ของวัดวัดหนึ่งนะส่วนเรือนี่ก็อจอดไว้ที่ท่าน้ำรอกว่า คืนนั้นเนี่ยโจนเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วก็ขนเอาเข้าของทั้งหลายในเรือนั้นเนี่ยไปจนเกลี้ยงเลยหรืว่าตัวเนี่ยลุงชาพอทราบเนี่ยแทนที่ท่านจะโกรธท่านกับยิ้มนะเสร็จแล้วเนื่องจากว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยท่านก็เลยให้ลูกศิษย์พายเรือกลับ ระหว่างทางเนี่ยก็มีญาติโยมเห็นก็เลยทักถามหลวงก็โตว่าหลวงพ่อทอดกระินเสร็จแล้วเหรอ ER. ท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าทอดกระถินเสร็จแล้วจ้า <c oughs> ระหว่างทางท่านก็ซื้อหมอไปแจกชาว บ, บ้านด้วยจนถึงบ้านลงพูเลยปรากฏว่าชาว บ, บ้านก็ไปแห่ซื้อหวยเขาเรียกหวยก่อขอ หวยไปซื้อตัวมอม้ามาถู ก, กันเทียบเลยแต่ประเด็นเรื่องที้ไม่เกี่ยวกับเรื่องหวยนะประเด็นคือว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านตั้งใจจะไปทอดกรถินใช่ไหมแต่ว่ า, ท, าทั้งทั้งที่บริวารและองค์กะถิ่นเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยแม้มันจะไม่ได้เป็นไปตามแผนนะท่านแถมบอกว่าทอดเสร็จแล้วนะ อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ถอยลังมายุค ป, ปัจจุบันสวนโมกนะเพวกเราคงหลายท่านเคยไปสวนโมกสมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเริ่มที่จะสร้าง พอวัรวัตุเช่นตึกเช่นอาคารอย่างเช่นโงรงมราบทางวิญญาณเนี่ยนะท่านก็ใช้เวลา น, านานในการสร้างหลายปีสร้างเสร็จก็มีอาคารหลังใหม่ตอนนั้นเนี่ยท่านจะสร้างอาคารที่เรียกว่าธรรมนาวาคือเป็นเรือเป็นรูปเรือเนี่ยนะแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นวิหารที่ มีที่มุงที่บางเนื่องจากลานหินโค้งเนี่ยมันไม่มีหลังคาเวลาฝนตกเนี่ยนะทำวัดลำบากก็ต้องย้ายนะมาที่อาคารที่มีหลังคาท่านก็เลยสร้างธรรมนาวาขึ้นแล้วก็เป็นที่เก็บน้ำฝนไปในตัวด้วยก็เช่นเคยนะใช้เวลาหลายปีนะวันหนึ่งลูกศิษย์เนี่ยมาเยี่ยมท่านเป็นคารวา เ้าก็ถามหลวงพอวอรราวาอ่อว่าเรือเนี่ยธรรันดับนนชาวบ้านหรือคนสวนโมเรียวเรือเรือสร้างเสร็จหรือยังหลวงพ่อเรียกทนาจานท่านอาจารย์นะพุทธาก็ตอบว่าเสร็จแล้วดโยมวันนั้นก็สงสยัยเออทําไมเสร็จเร็วนะเพราะสองเดือนก่อนเนี่ยมาทีแล้วก็ยังสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละครึ่งค่อนนั่นนะ ก็เลยรีบไปดูเรือปรากฏว่ายังสร้างไปไม่ถึงไหนเลยก็เลยกลับมาถามท่าเจ้าพุทธทาสว่าท่าอาจารย์ไหนว่าเสร็จไงนะมันยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยท่าเจ้าพุทธทาสก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วนะนะวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จนะเสร็จทุกวันนะสองเรื่องเนี่ยมีอะไรเหมือนกันนะนะ สเรื่องที่อาตมาเล่าเนี่ยมีอะไรเหมือนกันอย่างหนึ่งที่จริงสองอย่างด้วยฮะมายึดติดเนี่ยนะคือเรื่องแรกเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยท่านตั้งใจจะไปทอดกระถินเนี่ยวัดนั้นใช่ไหมแต่ว่าแม้จะไปไม่ถึงเพราะว่าของไม่เหลือแต่ท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไระพระเจ้าพุทธทาสเนี่ยนะแม้ว่า เรือยังสร้างไม่เสร็จท่านก็ไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลนะใจท่านทั้งทั้งสองท่านเนี่ยนะปกตินะไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยนะเพราะอะไรนะเพราะว่าแล้วทั้งสองท่านเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเนี่ยท่านแรกบอกทอดกระถินเสร็จแล้วอีกท่านก็บอกว่าสร้างสร้างสร้างเรือเสร็จแล้ว หลวงวโตเนี่ยท่ามีความตั้งใจจะไปทอดที่วัดนั้นแต่เมื่อท่านทําแล้วนะพยายามทําแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจท่านไม่ได้ทุกไม่ได้ร้อนท่านปล่อยวางได้และท่านก็ถือว่าทําเสร็จแล้วอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนะแม้ว่าอาคารยังสร้างไม่เสร็จนะแต่สารท่านที่ทาไม่ทุก แล้วทำไมท่านถึงพูดว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเราเนี่ยเวลาทาอะไรเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกเบาเร า, เราจะรู้สึกว่าสบายใจไม่กังวลอาจารย์ผู้เ่าก็เช่นเดียวกันนะแม้ว่าอาคารยังไม่เสร็จเนี่ยแต่ท่านไม่มีความทุกข์ท่านสบายใจท่านไม่มีความกังวลเหมือนกับว่าเสร็จแล้วนะนี่เป็นตัวอย่างของการปล่อยวางท่านแรกเนี่ยปล่อยปล่อยวาง สิ่งที่วางแผนเอาไว้ตั้งใจว่าจะไปทอดวันนั้นแต่ไปไม่ถึงก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะเสร็จเหมือนกันทอดกรถินเสร็จเหมือนกันทัานที่สองเนี่ยก็มีโครงการที่จะทําแต่มันยังไปไม่ถึงนะจุดหมายที่ตั้งใจไว้ท่านก็ไม่กังวลนะก็ปล่อยวางจุดหมายปลายทางนะเมื่อคนที่เดินทางเนี่ยนะ เดินทางเนี่ยก็มีจุดหมายปลายทางอยู่แต่ระหว่างที่ยังไปไม่ถึงก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนถามว่าถึงหรือยังท่านก็ท้าคูบาจังยิ่งอว่าถึงแล้วนะถึงทุกเวลานะวางจุดหมายปลายทางนะเมื่อวางเสร็จเป็นยังไงสบายใจนะไม่วิตกไม่กังวลไม่ทุกข์ไม่ร้อน ก็คือเกิดความเย็นใจนะไม่ใช่ว่าท่านปล่อยปละละเลยนะก็ยังทำอยู่เจา้าพุทธทาสก็พอถึงวันลุกขึ้นอาวก็ไปดูงานใหม่ก็ไปตรวจงานช่วยเท่าที่ทำได้พอเสร็จนะพอถึงเวลาเลิกงานก็เสร็จนะวางงานออกจากใจนะไม่เอามาวิตกไม่เอามากังวล ไม่คิดนอนไม่นอนไก่หน้าภาว่าเมื่อไหรจะเสร็จสักทีนะเมื่อไรจะเสร็จสักทีนะไม่มีอาการแบบนั้นหลักสบายวันะวรุ่ขึ้นอ้าวไปทํางานใหม่นะเวลาทํางานก็ทํางานด้วยความตั้งใจพอตกเย็นวางเครื่องไม้เครื่องมือลงไม่ใช่แค่แคนั้นวางผลงานวางโครงการออกไปจากใจด้วยนะถ้าหนึ่งเรียกว่าเสร็จนะเสร็จทุกวันวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จ มาลือนี่ก็เสร็จนะนี่คือการปล่อยวางที่อาตมาอยากจะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักนะได้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้เราพบกับความสุขที่จริงเนี่ยเราชอบผู้นี้เรานี่เราก็เชื่อกันนะแล้วเราก็มั่นใจด้วยว่า จะมีความสุขได้เนี่ยเราต้องทําความดีต้องมีศีลต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นการทําความดีเนี่ยมันเป็นหลักประกันของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราเพียงแค่เรามีศีลห้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจ รวมทั้งโครคภัยไข้เจ็บนะรวมทั้งเหตุร้ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะกับคนอื่นเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีศีลมันก็ป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเรานะถ้าเรามีศีลห้าข้อที่ห้าเนี่ยไอการที่จะเป็นมะเร็งตับนะการที่จะเกิดทะเละ บ, บาะแว้งกันในครอบครัว ตีลังฟันแทงหรือเกิดอุบัติเหตุเพราะขับรถเมามานี่มันก็ไม่เกิดนะอย่างไรก็ตามเนี่ยทำดีเนี่ยนะมันยังไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขใจร้อยเปอร์เซ็นต์หลายคนทำความดีแล้วทุกข์ก็มีอย่างเช่นบางคนตั้งใจจะไปทอดกระถินนะแต่ปรากฏว่า เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับหลวงพ่อหลวงพ่อโตนะเครื่องกระถิ่นถูกนะคือมันกเลออาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนมาขนเอาอบริวาลกระถินไปนะอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะหลายคนจะเสียใจ ว, ว่าโอ้โหอุตส่าห์จะไปทำบุญกลับมาเจะอุปสรรคหรือบางทีเจอรถติดหรือว่าทำให้ไปไม่ทันเนี่ย ไปไม่ทันเวลากระถินก็เสียใจนะแทนที่จะได้ความปิดติได้ความผ่องใสเบิกบานเพราะไปทำบุญกลับเศร้าหมองบางคนตั้งใจว่าท้ากระถินเนี่ยนะจะหาเงินเข้าวัดสักแสนหนึ่งหรือห้าแสนบอกว่าหาได้ไม่ถึงเสียใจนะ เพราะว่าไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ไม่เป็นไปตามแผนทำดีทำบุญแต่ว่าทุกใจมักจะเกิดขึ้นกับหลายคนยังไม่ต้องพูดถึงว่าทำดีนะมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วปรากฏว่าเงินเดือนไม่ขึ้นนะขั้นก็ไม่ขึ้น หลายคนบอกว่าทำไมทำดีแต่ไม่มีคนเห็นทำไมทาดีแต่มีคนดินทาทำไมเราทำดีทำไมถึงมีคนว่าร้ายเราอันนี้ก็อภิแษงว่าอะไรทำดีแต่ยังทุกข์ไปทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะยังมีความยุดติดนะงั้น พวกเราชาวพุทธเนี่ยนะควรตระหนักว่านอกจากการทำความดีให้ฐานรักษาศีลแล้วเนี่ยการทำที่ใจก็สำคัญทำดีที่เราพูดถึงเนี่ยนะก็หมายถึงการสลัเงินสลัดทรัพย์เพื่อช่วยผู้อื่นการที่เราลงมือลงแรงไปทำกิจที่เป็นสาธารณประโยชน์ เมตตาเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลคนหลายคนเอื้อเฟือ้อนะใครลำบากก็ช่วยแต่ก็ทุกข์เพราะว่าไอ้คนที่เราช่วยเขาไม่สำนึกในบุญคุณของเรานะมีคุณป้าคนนึงเนี่ยนะอายุเจ็ดสิบแล้วเป็นคนที่มีเมตตากรุณามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นะอ่อนโยนแต่เวลานึกถึงหรือพูดถึงคนคนหนึ่งเนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนไปเลยนะเต็ไมไปด้วยความโกรธนะบางทีก็พูดสะบทนะเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยคุณป้าเคยช่วยช่วยมากด้วยแต่เขาไม่สำนึกในบุญคุณของคุณป้า แถมจะมาอะเอาเปรียบมารังแกคุณป้าด้วยนี่เป็นตัวอย่างคนที่ทำดีแต่ยังทุกข์เนะพราะอะไรฮะไม่ใช่เพราะว่าทำดีไม่พอแต่ยังขาดสิ่งนี้คือการปล่อยวางปล่อยวางนะอันนี้เวลาพูดถึงปล่อยวางนี่นะ ม, นมันพูดกว้างนะปล่อยวางอะไร นะปล่อยวางนี่มีหลายระดับนะอาตมาช่วย อ, อย่างแรกที่สําคัญนะัคือการปล่อยวางอดีตเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนกับสายน้ํำนะที่มันไม่มีวันจะหวนกลับหลายคนทุกข์เพราะเหตุการณ์ในอดีตท่านั้งที่สุขสบายดีอยู่แล้วนะ แต่ก็มักจะปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตอาตมาเจอโยมคนหนึ่งนะทุกวันนี้ก็มีความสุขสบายฐนะานะก็เรียกว่าอยู่ในขั้นร่ำรวยลูกก็ดีสนใจธรรมะมาบวชพระนะแต่สีหน้าเศร้าหมองเพราะาห่วนคิดถึงแต่ประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กพ่อแม่ไม่รักนะเป็นคนจีนอะ พาอแม่ไม่รักอาจจะเอาเปรียบอาจจะอาจจะทุบตีนะหรืออาจจะรักผู้ชายนะมากกว่ารักตัวเองพอเป็นลูกสาวชีหน้าหม่นมองมากเลยนะอันนี้เพราะว่าอะไรพ่อยังติดอยู่กับอดีตนะหลายคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะว่านึกถึงเงินทองที่หายนะหรือว่าความผิดพลาดในอดีตครูคนหนึ่งโดนโกงไปแสนหนึ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับนะแล้วไม่อยากจะกินไม่อยากจะนอนด้วยเป็นเช่นนีนะ้นานนับเดือนแม่ก็บอกว่าให้พักผ่อนเธอให้กินเธอนะแต่เธอไม่ยอมเพราะว่าใจเนี่ยัคิดถึงแต่การที่ เพื่อนกงเงินไปแทนที่จะเสียแต่เงินนะก็เลยเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายก็แย่เพราะไม่กินไม่นอนเนี่ยนะทำงานก็ทำไม่ได้เป็นครูเสียงานอีกแล้วก็เสียความสัมพันธ์เพื่อนมาเพื่อนมาพูดมาคุยมาหยองมานล่า ก, ก็ไม่มีอารมณ์ตวาดใส่เพื่อนด่าเพื่อน ไม่มีใครอยากเข้าใกล้บรรยากาศมาคุการที่จะเสียแต่เงินนะก็เสียความสุขเสียสุขภาพกายเสียงานเสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์นี่เพราะอะไรก็ยังติดอยู่กับอดีตติดอยู่กับของของรักนะที่ที่ถูกโกงไป แบบนี้เนี่ยมันทำให้น่าคิดนะว่าจริงๆเนี่ยเขารักตัวเองหรือว่าเขารักเงินนะคนที่รักตัวเองนี่นะพร้อมจะสละเงินแต่ไม่จะไม่ทําร้ายตัวเองแต่คนที่รักเงินนะก็จะทําร้ายตัวเองเมื่อครูคนเนี้ยคุณแม่ท่านหนึ่งนะเอาจต่เศร้าเสียใจกับเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วนะที่ตัวเองเนี่ย มีที่อยู่แปลงหนึ่งอยากจะเก็บไว้เป็นสมบัติของลูก mm. ก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรนะแต่ว่าสามีบอกว่าขายเถอนนะเอาเงินเนี่ยแบ่งให้ลูกดีกว่า <c oughs> ก็เลยเอาที่ไปขายพอขายเสร็จสามีก็เอาเงินนั้นไปใช้ไม่ทราบว่าเอาไปลงทุนจนเจ๊งหรือว่าเอาไปเล่นพานันนะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรให้เป็นไม่มีอะไรเป็นกอบเป็นกามให้ลูกสาว ก็เสียใจในความผิดพลาดตัดสินใจผิดไม่น่าเชื่อสามีก็คิดจมอยู่ก็นนะ้นจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าบางทีก็อยากจะตายาที่พูดมาทั้งหมดที่เป็นคนดีทั้งนั้นนะแต่ว่าวางใจไม่เป็นนะติดอยู่กับอดีตวางปล่อยวางประกาศที่สองนะคือปล่อยวางอนาคตนะ คนเราทุกเพาะไปจมจอ ม, มอยู่กับอนาคตเนี่ยบ่อยมากนะตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคือเวลารถติดเนี่ยนะไฟแดงเนี่ยมันยาวเนี่ยหลายคนงุนหญิดเพราะอะไรงุนหญิดเพราะอรงุหิดเพราะกลัวว่าจะไปถึงที่หมายช้าจะส่งรูปไม่ทันจะไปประชุมไม่ทันจะตกเครื่องบิน ที่กลัวนี้เพราะอะไรเพราะใจเนี่ยมันไปคิดไปเปไปมโนโไปสร้างภาพแล้วว่าถ้าติดนานกว่านี้ถ้าไฟแดงนานกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะตกเครื่องบินเดี๋ยวฉันจะไปไประชุมไม่ทันหรือจะผิดนัดถามว่าเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดแต่มโนไปแล้วนะแล้วเป็นไงก็ทุกข์ทุกข์เพราะสิ่งที่วาดภาพว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า ทุกครั้งที่เราหงุดหงิดนะเวลารถติดเนี่ยนะมันแปลว่าพขาเราไปจมอยู่กับอนาคตบางคนเครียดเวลาทํางานเพ่าไหะไรฮนะไปนึกถึงงานอีกห้าหกชิ้นที่มันยังคาอยู่ไปนึกถึงวิทยานิพนธ์อีกหลายบทที่ยังไม่เสร็จกำลังทําบทที่หนึ่งอยู่นะกำลังทําบทที่สองนะแต่ใจเนี่ยไปคิดถึงไง บทที่เจ็บทที่แปแล้วว่าจะเขียนยังไงอนาคตทั้งนั้นนะนะเดินทางนะแต่ทุกเพราะอะไรหมุ่นหมีเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีใจมันไปคิดถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้านละอันนี้เรียกว่ายึดติด ก, กับอนาคตนะรวมทั้งตัวอย่าง อย่างที่ตมาเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยสร้างตึกนะสร้างอาคารหลายคนก็กังวลเมื่อแหลมจะเสร็จสักทีนะไม่สามารถที่จะปล่อยไม่สามารถที่จะวางได้งั้นคนเราเนี่ยเราจะใจเราจะเป็นสุขนะถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางอนาคตบ้างนะมันยังไม่ถึงก็ช่างมันนะเราก็ทําเต็มที่ รถนะติดไปคิดกังวลถึงอนาคตทำไมมันก็ไม่ช่วยทำให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นไม่ไม่ช่วยให้ไฟจรา จ, จรเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ไวขึ้นเลยนะผู้เ จ, จ้าตรัสว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระงถึงสิ่งที่อยอกมาไม่ถึงนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องคิดถึงอนาคตนะ คิดได้แต่คิดอย่างมีสติเมื่อใดก็ตามที่เราทำสิ่งใดอย่างมีสตินั่นเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันเมื่อใดก็ตามที่เราวางแผนนอนาคตสามปีห้าปีหรือว่าสามเดือนก็แล้วแต่ถ้าเรามีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นและมีสติอันนั้นก็เรียกว่ากาลังทากิจที่เป็นปัจจุบัน เมื่อใก็ตามที่เรานึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วเรากาลังจะประเมินว่าเออมีอะไรผิดพลาดบ้างที่ผ่านมามีอะไรที่สำเร็จบ้างมีอะไรที่ควรแก้ไขบ้างอันนี้ไม่เรียกว่าตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรนะถ้าเรามีสติ์อยู่กับการทบทวนสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ากำลังทากิจอันเป็นปัจจุบันนะว่าอยู่กับปัจจุบันหรือว่ากิจปัจจุบันเนี่ยนะ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะหมายถึงการทำหรือการระลึกนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือยังไม่ไม่ถึงก็ได้แต่ว่าให้ทำอย่างมีสติด้วยปัญญาไม่ใช่ทำด้วยความหลงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไปเราไปหลงนะไปหลงอดีตหรือไม่ไปหลงการอนาคตซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์และจะหายทุกข์ได้จะหายหายหายเศร้าโศกหรือหายกังวลได้เนี่ยก็คือต้องวาง ปล่อยวางอาดีตแล้วปล่อยวางอน า, าคตแล้วก็ไม่ได้แปลว่าให้ไปยึดติดกับปัจจุบันนะปัจจุบันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดติดเหมือนกันพระเจ้าเคยตรัสกับพระนันทิยะนะซึ่งภายหลังต่อมาท่านก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ว่าท่านพูดเป็นภาษาง่ายๆว่าแต่อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยนะให้ปล่อยวางข้างหน้า ข้างหลังและทากลาง <c oughs> ก็คือไม่ยึดติดในอารมณ์เป็นอดีตอารมณ์ในเป็นอารมณ์ปัจจุอารมณ์อนาคตและอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะวางอดีตวางอนาคตแล้วไม่ได้แปลให้ไปที่ปัจจุบันนะยังไม่ใช่ต้องวางปัจจุบันเหมือนกันวางปัจจุบันในที่นี้หมายถึงว่าวางอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะ ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังไอเสียงโทรศัพท์ที่มันมากระทบหูเรานี่ก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาใจไปตรวจจออยู่กับเสียงโทรศัพท์นี่เราทุกข์เลยนะเราหงุดหงิดเลยนะหลายคนเนี่ยหงุดหงิดทุกข์กับเสียงที่มันมากระทบหูมันไม่ใช่อดีตมันไม่ใช่นาคตมันปัจจุบันเต็มๆ เ, เลย วางต้องรู้จักวาง เ, เมื่อสักสีสิบปีที่แล้วเนี่ยหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษนะกับคณะซึ่งมีพระอาจารย์สุมเมโทโธไปด้วยนั่นคือเหตุนั่นคือจุดเริ่ตรมต้นที่ทำให้เกิดวัดป่าจิตวิเวกแล้วก็วัดอมรวดีในเวลาต่อมา สถานที่พำนักเนี่ยเป็นวิหารชื่อวิหารแฮมสเตดถ้าไม่ได้ไพักไม่ได้พักวัดไทยนะมีวัดไทยอยู่แถววิมเบอร์ดันแต่ว่าท่านโยมเนี่ยโยมฝรั่งก็นิ ม, มนต์ให้ท่านพักที่วิหารแฮมสเตดเจ้าภาพนี่เป็นเป็นฝรั่งนะตรงข้าวิหารแฮมสเตดเนี่ยมันเป็นย่านเป็นย่านท่องเที่ยวก็มีผับมีบาร์กลางค่ากลางคืนก็จะมีการ ร้องํำทำเพลงมีการเล่นดนตรีซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่หลวงพ่อชาเนี่ยพาพระนั่งสมาธิก็มีเย็นวันหนึ่งเนี่ยนะขณะที่พระละยงองกลังลนั่งสมาธิก็มีเสียงดนตรีเข้ามาหลายท่านเนี่ยนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยพระอาจารย์สุมเมทโทนบอกว่าเนี่ย ไอ้เสียงมากกระทบปุย๋ยไม่เท่าไหรนะเสียงดังยังไม่ยังไม่มันยังไ ม, ยงไม่ยังไม่เท่าไหร่นะมันดังร้องเพลงไม่เพาะด้วยทํำให้งุดหงิดมากเลยรู้จักผู้ติดต่ตลกงนะว่าไนะหลวงวชารท่านนั่งนิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิศบอ่านั่งสมาธิเสร็จเจ้าภาพเนี่ยนะก็มาหาหลวงพ่อชาแล้วก็มา มาขอโทษขอโทษที่มีเสียงดังมารบกวนหลวงพ่อช้างท่านตอบว่าโยมไปคิดว่าเสียงรบกวนเราที่จริงเราไปรบกวนเสียงดางหากเข้าใจไหมเราไปรบกวนเสียงหมายความว่ายังไงหมายคใจเราเนี่ยไปต่อเราต่อทิ้งกับ เ, เสียงไนะเวลามีเสียงโทรศัพท์ดังในห้องเนี้ยนะหรือว่าเรามีเสียงคน พูดคุยกันในห้องเนี้ใจเราจะไปจดจ่อยที่เสียงนั้นเลยแล้วก็ไปไปต่อล้องต่อเถียงกับเสียงนั้นนะ่ะหรือไปต่อร้อต่อเถียงกับเจ้าของเสียง <c oughs> ว่าทําไมไม่ปิดโทรศัพท์ทําไมมาพูดในที่อย่างนี้มันมีอาการของการผลักใสนะเราเคยสังเกตใจเราไหมว่าใจเราเนี่ยนะมันเป็นทาร่า ก, กับเสียงนะนี่แสงว่าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง เราจะไม่เป็นทุกข์เลยนะถ้าเราวางที่เราทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะเสียงนะเราทุกข์เพราะใจเราเนี่ยไปต่อร้าต่อเทียงกับเสียงนั้นหรือว่าใจเราเนี่ยไปไปยึดนะไปรู้สึกลบ ก, กับเสียงนั้นมันเป็นที่ใจของเราเองเป็นใจที่ไม่ปล่อยไม่วางเช่นเดียวบความเจ็บความป่วยนะ วเจอความป่วยเนี่ยเช่นเวลาปลวดเวลาเมื่อยเนี่ยเรานั่งนานๆเนี่ยหลายค น, นยจะรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยที่จริงถ้าที่จริงแค่ขาปวดขาเมื่อยเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาเพราะใจเราไปจดจ่อปักตรึงอยู่ที่ขาอยู่ที่ความปวดหรือที่เราเรียกว่าทุกขเวทนาตรงนั้น นี่คืออารมณ์ปัจจุบันนะความปวดนี่เป็นของจริงนะแต่ว่าเราไม่ปล่อยเราไม่ยอมปล่อยให้กายป่วยกายปวดหรือว่าเท้าเจ็บหรือว่าขาเมื่อยเท่านั้นใจเราไปปักไปตึงอยู่ที่ที่ขาที่ความปวดด้วยใจเลยพลอยเป็นทุกขนะ์ใจเลยพลอยเป็นทุกข์และใจที่ทุกข์นี่แหละนะที่มัน ที่มันทําให้เราหงุดหงิดกระสับกระส่ายไม่ใช่ความปวดที่ขาไม่ใช่ความมั่ยที่ขาแต่พราะใจเนี่ยถ้าเราลองปล่อยวางมางันลงนะแค่รับรู้ว่าเออขามันปวดขามันเมื่อยแต่ใจเนี่ยวางแค่รับรู้เฉยเฉยเนี่ยให้ความทุกข์มันจะลดพัวพุงไปเลยนะ เพ น, นั้นมอในงานหนึ่งเนี่ยเวลาเกิดความปวดความเมื่อยหรือเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ซ้ําเติมตัวเองความทุกส่วนใหญ่เนี่ยความทุกก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความปวดทางกายแต่มันเกิดจากใจที่วางไว้ไม่ถูกนะเราสังเกต ด, ดูเวลาเราปวดที่ไหนเนี่ยปวดท้องใจแล้วก็ไปปักอยู่ที่ท้อง เวลาอากาศหนาวนะบางทีเนี่ยหลายคนก็มีผ้าคลุมนะเกือบทั้งตัวเลยนะอาจจะเหลือแค่ใบหน้าอาจจะเหลือแค่นิ้วใจมันไปอยู่ที่ไหนฮะไปอยู่ที่ใบหน้าอยู่ที่นิ้วไอ้ที่อุ่นๆเนี่ยใจมันไม่ไปอยู่นะไอ้ที่อยู่ในผ้าเนี่ยใจมันไม่ไปนะมันจะไปตรงที่ที่มันที่มันที่ไม่มีอะไรคลุมนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะ อันนี้คือเรียกว่าซ้าเติมตัวเองหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าวางใจไม่ถูกไหมอันนี้แหละเรียกว่าติดยึดนะแต่คุณถ้าเกิดว่าเวลาเราปวดเวลาเราเมื่อยเนี่ยลองเอาใจไปอยู่ที่ลมหายใจเลยนะลองเอาจิตมาไปที่ลมหายใจเนี่ยแทนที่ไปอยู่ที่ท้องที่กําลังปวดขาที่กําลังเมื่อยเนี่ยความรู้สึกมันจะเบาขึ้นเลยเพราะตอนนั้นแหละใจเนี่ยมันวางนะ้ว มันวางทุกครือทนาเพราะมันไม่อยู่กับลมหายใจไงใจเนี่ยมันมันรับได้อารมณเดียวมันเหมือนกับคนเนี่ยขาแขนเดียวนะถ้าตารใดที่ถ้าจับตรงนี้นะกำลตรงนี้ไว้เนลยนะมันก็ไม่สามารถจะกำอย่างอื่นได้นะถ้าจะกำไ ม, มโครโฟนเนี่ยนะมันก็ต้องวางวางไอเครื่องอัดเสียงนี่นก่อนถึงจะกํา ไมโครโฟนไดนะ้ถ้าว่าจิตของเราเนี่ยมันไปอยู่ที่ลมหายใจนะมันก็ต้องวางให้ทุกคนเวทนานั้นลงนะแล้วเราจะรู้สึกเบารู้สึกว่าความปวดทุกข์เราอันนี้เรียกว่าปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะโดยเพราะอารมณ์ที่มันทำให้ขัดใจอารมณ์ที่มันเสียดแทงใจ อารมณ์ที่มันเผ็ดมันหยากนะมันแสบมันหยากนะอันนี้รวมถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันปัญหาหลายอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะปัญหาหลายอย่างก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นปัญหาหลายอย่างมันรุมเร้าเราอยู่ในปัจจุบันนะนี่ที่ยังไม่ได้ถอนนะ หรือว่างานการที่ยังคามากมายปัญหาครอบครัวปัญหางานการเราก็ต้องรู้จักวางเหมือนกันนะไม่งั้นเราจะแบกจนกระทั่งเราไม่ไหวเคยมีนักตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยนะไปปรึกษาหลวงพ่อชา ก็เล่าถึงปัญหาต่างๆเพราะนายตำรวจท่านนี้เป็นนายตำรวจที่ซื่อสัตย์มากทําเป็นตํารวจตรงฉินนะแต่ว่าอยู่ท่ามกลางเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ด้วยเนี่ยก็มีความทุกข์กับการทํางานมากเจ้าก็ไปบ่นให้อาจารย์หลวงพ่อชาฟังว่าเจ้านายก็ไม่เป็นธรรมลูกน้องอเพื่อนร่วมงานก็คอยแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอี้ พอแท้ทำงานขยันยังไงก็ไม่ได้เลื่อนขั้นอยากจะลาออกก็พูดพนันน า, นานเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบนาทีเลยมั้งหลวงพชานนั้นก็ฟังพอในตำรวจท่านพูดจบก็เลยท่านก็เลยชี้ไปที่ก้อนหินหน้ากุฏิว่าเนี่ยเห็นก้อน <c oughs> หินก้อนนั้นไหมเห็นครับมันหนักไหมหนักครับแบกไหวหรือเปล่า ไม่ไหวครับเออไม่ไหวก็อย่าไปแบกมันนะก้อนหินมันหนักเนี่ยถ้าเราไม่แบกนี่เป็นไงเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ที่ทุกข์เพราะะทุกข์เพราะแบกและเวลาเราแบกก้อนหินเนี่ยแ้วเราบอกว่าเฮ้ยก้อนหินทําไมมันหนักอย่างนี้ก้อนหินทําไงถึงจะเบากว่านี้ได้ไหมขอร้องให้ก้อนหินเบาเป็นรุ่นได้ไหมก้อนหินก็ยังเป็นก้อนหินนั่นแหละมันไม่มีทางเป็นรุ่นได้ ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์นะไม่ใช่ขอร้องก้อนถินให้เบาเป็นนุ่นนะหรือไม่ต้องคิดหาว่าจะมีใครมามีปั้นจันรมาช่วยแบกก้อนถินนั้นจะได้เบาวิธีที่ง่ายสุดก็คือวาง ม, มันลงหลายคนเนี่ยดูแลแม่นะที่ป่วยดูแลพ่อที่กำลังเป็นโรคร้าย ไอ้ดูแค่3ามสี่ห้าเดือนไม่ท่าไหร่นบางคนดูเป็นปีนะับางคนดูเนี่ยนานถึงสิบปีแล้วเครียดล้ามากนะหลายคนเนี่ยไม่ได้เครียดที่กายนะมันเครียดที่ใจต่ตมาก็แนะนำหลายอย่างนะวิธีอันห น, นึที่แนะนำคือว่าให้ลองวางพ่อแม่ออกจากใจบ้าง วางท่านลงบ้างแล้คุณจะพูดว่าวางได้ยังไงแม่ของเราพ่อของเรานะแต่งน้อยเนี่ยนะเวลาเรานอนเวลาเราพักก็ควรจะวางท่านลงไปจับใจบ้างส่วนใหญ่ไม่ยอมวางนะไอ้ตอนที่ดูแลท่านเนี่ยนะเช็ดเนื้อเช็ดตัวท่านน่ะโอเคนะแจะพอจะไปนอนพอจะไปพักนะ ก็ยังคิดถึงแม่คิดถึงพ่อแล้วก็เครียดนอนไม่หลับพักไม่เต็มที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ร่างกายก็ไม่ไม่ไม่ร่างกายก็ไม่ไม่ได้พักเต็มที่จิตใจก็ไม่แจ่มใสก็หงหุนหงิดง่ายบางทีก็เผลอว่าท่าน เวลาท่านเนี่ยไม่ทำตามที่เราแนะนำแอบสูบบุหรี่บ้างแอบกินหมูพระโลบ้างแอบกินของหวานบ้างทั้งที่เป็นโรคหัวใจทั้งที่เป็นโรค เ, เบาหวานเนพอด่าว่าท่านก็มาเสียใจปัญหาส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่รู้จักวางไม่ต้องวางตอนไหนวางตอนพักตอนนอน เวลาไปเที่ยวยจะพักกายพักใจก็วางท่านลงบ้างแต่ส่วนใหญ่คิดว่าการวางท่านเนี่ยออกจากใจเนี่ยเป็นความไม่กระตันอยู่แล้วใจผิดนะจริงเนี่ยการวางท่านเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมมีความสดมีความแจ่มใสในการที่จะดูแลท่านได้ดีขึ้นการทำงานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือแล้วก็ทำงาน ให้ได้อย่า ง, ย, า ง, ย, างยั่งยืนนะคือการรู้จักวางก็เหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านนะถ้าถึงเวลาทำทำเต็มที่แต่แต่พอถึงเวลาพักหรือว่าถึงเวลาพักงานเนี่ยท่านก็วางแลวท่านก็รู้สึกเสมอมว่ามันเสร็จแล้วนะลองนะลองวางมันไปจากใจบ้าง หรือไม่จะคิดแบบถ้ามีหนี้มากๆจะคิดแบบหลวงพ่อพยยอมก็ได้มีคนถามหลวงพ่อพยอมว่าเนี่ยวัดสวนกก้วเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยเป็นสิบล้านเนี่ยเป็นหนี้เพื่อไปไปไปช่วยทําโครงการพัฒนาช่วยเหลือคนยากคนจนนะไม่ได้สร้างคาวอรืวัตถุอะไรมากถ้าถามพระว่าเนี่ยวัดสวนแก้วเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยมากมายเนี่ย หลวงพ่อนี่ไม่ทุกข์ไม่เครียดเลยท่านบอกว่าจะทุกข์จะเครียดทําไมคนที่ควรจะทุกข์มากกว่าคือเจ้าของเงินนะที่ที่ให้เราเงินให้เงินเรายือนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าครูนี้เขาหน้าจะเครียดมากกว่าเพราะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีเงินจ่ายหรือคืนเขาหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าท่านคิดจะเบี้ยวนะเพราะท่านก็พร้อมที่จะพยายามหาเงินมาคืนอยู่ทุกวัน แต่ไม่แบบไว้ในใจนะเรียกว่ารับผิดชอบแบบปล่อยวางนะรับผิดชอบแบบปล่อยวางหรือปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนะขณะที่ก้มหน้าก้มตาหาเงินมาใช้หนี้นะแต่ใจเนี่ยมันวางนะบางทีเนี่ยนะการปล่อยวางอย่างหนึ่งนะก็คือการปล่อยวาง สิ่งที่ไม่สมหวังเช่นธะมายุติอย่างาหลวงพ่อหลวงพ่อโตนี่ก็เป็นตัวอย่างนลยนะคือมันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจก็ก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรนะหลายคนเนี่ยพออะไรมันไม่สมหวังไม่เป็นไปดังใจนี่นะจิตเนี่ยมันจะไปจดจ่อยอยู่ตรงนั้นนะ่ะไอ้ความรุ่มเหลวไอ้ความไม่สมหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับหนึ่งทุกสองทําให้มองไม่เห็นไอ้สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วพวกเราหลายคนรู้จักซิกโก้นะเกติสักไซนาเมืองก่อนที่เขาจะเป็นเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยเขาเป็นนักกีฬานักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมากนะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเป็นซปเปอร์สตาร์ เขาพาทีมไทยไปประสบกับชายชนะหลายครั้งตอนหลังก็ไปเล่นบอลอาชีพที่มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามสโมสรที่เขาเล่นให้ก็ได้แชมป์ทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งก็มีสโมสร อ, อังกฤษมาซื้อตัวเข้าไปเป็นข่าวใหญ่เมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วคนไทยดีใจมากเลยนะซิโก้จะได้ลงสนาม ในสมโมสรอนนังกฤษและนั่นคือความฝันของซิกโก้แต่ว่าหลังจากรอมารอแล้วรอเล่าเนี่ยซิกโก้ก็ไม่เคยได้ลงสนามสักทีเลยได้แต่นั่งอยู่ข้างสนามในฐานะตัวสำรองใจเครียดมากเลยบกว่าเนี่ยเครียดมากจนหัวจะแตก มันเป็นความฝันที่ไม่บรรลุจนทั้งฤดูการเลยนะก็ไม่ได้ลงเล่นนะแล้วแกรูก้สึกว่าเป็นความสูญเปล่ามากเนะวลามีใครมาถามเรื่องนี้แกก็จะไม่อยากจะพูดแต่ผ่านไปหลายปีมีคนถามเรื่องเนี้ย ว่าที่ไะไปที่ไม่ได้ไปลงสนามเนี่ยรู้สึกอย่างไรไม่ลงสนามแองกฤดเนี่ยแค่ยิ้มนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่ผมมองไม่ออกผมมองไม่เห็นมองไม่ออกมองไม่เห็นอะไรก็บอกไปแองกฤษคนนั้นมีแต่ได้กับได้หนึ่งได้บ้านสองได้รถสามได้ภาษาสีได้พัฒนาร่างกาย ห้าได้เห็นมุมมองใหม่ๆหนะได้เดินทางท่องเที่ยวเจดได้เจอคนมากมายที่น่าสนใจ 8. ปดได้สัมผัสเหลีกที่มีสีสันมาแสดงกษีษเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นนะตอนนั้นแกเห็นแต่เสียแกมองไม่เห็นว่าแกได้อะไรบ้างแกเลยทุก์นี่แกเสียแค่หนึ่งนะ แต่แกได้ต้องแปดแต่ทำไมตอนนั้นมองไม่เห็นเพราะใจมันจดจ่ออยู่ในสิ่งที่มันไม่ได้มันไม่สมหวังไงนะแกทุกฟรีๆไปหลายปีนะแต่ว่าพอพอเวลาผ่านไปมองอะไรได้กว้างขึ้นก็เห็นโอ้โหมันเราได้ต้องเยอะนะหลายคนเป็นอย่างนี้นะก็คือว่า เวลาอะไรที่ไม่สมหวังเนี่ยนะมันไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยนะหรือวความล้มเหลวก็ตามจะัวจอยอยู่ตรงนั้นแหละทั้งที่อะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายมองไม่เห็นอันนี้อะไรที่เขาเรียกมองแง่ลบนะไม่เห็นบวกไอ้บางทืต้องต้องต้องปล่อยต้องพร้อมจะปล่อยวางนะไอ้ความไอ้ความไม่สําเร็จหรือว่าสิ่งที่มันไม่สมหวังนะเพราะถ้าเราปล่อยวางเมื่อไหร่เราจะเห็นเลยว่าเออไอ้สิ่งที่เราได้มาโดยไม่คาดฝันเนี่ยมันก็มีนะ และแต่มาคิว่าถ้าซิคก็ใช้โอกาสช่วงนั้นเนี่ยนะแทนที่จะจมอยู่ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังเนี่ยศึกษาออการทําทีมนะของทีมของสมโมสร อ, อังกฤษเนี่ยก็คงจะทําให้ทีมไทยแกร่งกว่านี้เยอะนะแต่ว่าเสียโอกาสนั้นไปเพราะว่าจมอยู่ความผิดหวังแต่ว่าประสบการณ์ที่แกได้คงจะสําคัญไม่น้อยเนี่ยก็ถึงทําให้ทีมไทยได้ อ, อื ประสบความสําเร็จนะกว่าหลายปีที่ผ่านมาปล่อยวางอะไรบ้างฮะปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางปัจจุบันปล่อยวางสิ่งที่ไม่สมหวังนะปล่อยวางการเปรียบเทียบหลายคนทุกขพความเปรียบการเปรียบเทียบ เวลาได้หลายคนเนี่ยนะเวลาได้โบนัสมาสิ้นปีได้โบนัสได้มาสองแสนนะก็ดีใจนะแต่พอรู้วบเพื่อนเขาได้สามแสนนะเศร้าเลยนะหลายคนมีความทุกข์กับรูปร่างหน้าตาของตัว จริงๆคนสมัยนี้หน้าตาดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะแต่ว่าเป็นเป็นยุคที่ค น, นยมีความทุกข์เพราะรูปร่างหน้าต่างตัวมากกว่าทุกยุคมันเชื่อไหมเพราะอะไรฮะเขาเคยมีการสอบถามคนหญิงสาวในในอังกฤษในในยุโรปอเมริกาเขาเลือกเจอะจงคนที่หน้าตาดีเลยนะแล้วก็ถามว่าคุณพอใจในรูปร่างหน้าต่างคนของตัวเองไหม กบอ็นตบอกไม่พอใจเพาะจะเห็นข้อตําหนิข้อเสียตรงนั้นตรงนี้จมูกบ้างตาบ้างผิวบ้างละผมบ้างละที่เขทุกข้อหลไรเพราะเขาไปเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยกับดาราใช่หไหมกับศิลปินกับนางแบบกับนักร้องคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้มีตัวเปรียบเทียบเยอะ เพราะมันไม่มีโทรทัศน์มันไม่มีแมกกาซีนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคนสวยก็ก็เห็นแค่ในหมู่บ้านเท่านั้นแหละนะแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นไปไกลถึงอเมริกาถึงยุโรป แ, ล, แ ล, ล้วแล้วคนเหล่านี้ก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองเออเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับพวกดาราพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะซึ้งว่าตัวเองนี่ไม่สวยหน้าตาไม่ดี คนไทยเนี่ยใช้ในอาเซียนนี่คนไทยใช้เวลาในการแต่งหน้าทาผมเนี่ยนานกว่าทุกชาติในอาเซียนนะแลวรู้ไหมคนไทยเนี่ยหญิงไทยเนี่ยรู้สึกตัวเองเนี่ยรู้สึกพอใจในรูปางตัวเองเนี่ยน้อยกว่าพวกหญิงสาวในอาเซียนเพราะว่าเราอูตากว้างไกลไยเราก็เลยเปรียบเทียบกับดาราต่างๆเยอะแยะ เดี๋ยวนี้อ่ะยิ่งมันมี Facebook ใช่ไหมมี i ิน t ต g แกรใช่ไหมโอ้เห็นใครก่อใครสวยทั้งนั้นเลยทาไมเราไม่สวยอย่างเขาอะทุกเลยแต่ทั้งทั้งที่ไอ้ภาพที่โผล่ขึ้นมาใน i n s t ต g r กรนี่ก็ผ่านการตกแต่งมากมายนะ Photoshop ไม่รู้กี่เที่ยวแล้วนี่ทุกภพเปรียบเทียบครับ ไปน้อยบาซ่าไปถนนคนเดินที่เชียงใหม่มีย่ามย่ามคออย่างดีเลยสวยถามเท่าไรนะราคาติดไว้ห้านระ้อยต่อมาจนได้สามร้อยดีใจกลับมาที่โรงแรมบอกว่าเพื่อนเนี่ยไปซื้อร้านใกล้ๆกันแบบเยอะกันเลยเขาซื้อได้สองร้อยจากดีใจเป็นอะไรเป็นทุกข์เลยเป็นอย่างนี้ปะ นะอย่าว่าตายเลยนักปฏิบัติธรรมนะคนสคนใจธรรมานะตมาเคยไปพูดที่สวนโม่งนะคนมาเยอะมากหนังสือที่เตรียมไว้ไม่พอวันนี้เลยขนมาเยอะเนี่ยแต่ว่า น, นั้นไม่พอนะก็เลยบอกว่าเนี่ยหนังสือมันมีจํากัด น, นะบางคนอาจจะไม่ได้นะแล้วตมาก็เอาหนังสือขึ้นมาห่อหนึ่งพอแรกหนะนังสือมันก็ขนาดเท่าฝ่ามือเนี่ย คนก็มาเข้าคิวรอลับหนังสือใหญ่เลยนะเยอะเลยหลายคนก็ดีใจนะหมดหอแรกตอนนั้ก็ข อ, อสองมาขนา้หนังสือเนี่ยขนาดเท่าขนาดแค่เนี้ยไอคนที่ได้ชุดแรกนะหน้าบิหน้าเบ๊เลยนะหลายคนมีคนหนึ่งมาหาขอเปลี่ยนได้ไหมเอาเล่มใหญ่ยังไม่ทันจะอ่านเลยเรารู้แต่ว่าเล่มใหญ่ดีกว่าเล่มเล่มเล็กที่ตัวเองมีนะ นี่เพราะอะทุกเพราะอะทุกเพเปรียบเทียบใช่ไหมนี่ขนาดคนสนใจธรรมะนะแล้วที่อาจามาพูดเนี่ยไอตอนเช้าวันนั้นเนี่ยมันก็พูดเรื่องการเปรียบเทียบนี่แหละทุกคนก็เห็นด้วยนะเอ อ, เ อ, อแต่พอเวลาเอาความจริงนะก็ยังเหมือนเดิมคือเปรียบเทียบทําไมไม่คิดเหรอเออเราได้เล่มเล็กนี่นะคนอื่เขาไม่ได้อะเราได้เล่มเล็กเนี่ยนะน่าจะดีใจแต่พอเปรียบเทียบคนที่ได้เล่มใหญ่นะทุกเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้าเราที่รอเนียกสือเรารออยู่นี่ก็ก็เวลาเราดั้งสือก็อยบเปรียบเทียบนะอย่าไปเที่ว่าใหญ่หรือเล็กนะเพราะบางทีเล่มเล็กอาจจะดีกว่าเล่มใหญ่ก็ได้ใช่ไหมไม่ทศร้า <S 1> <S 1> ออคราวที่เราเคยไล่ฟังอีกอย่างนะเพื่อตมาคนหนึ่งเล่าว่าเึอแกเป็นคนชอบที่เล่นหุ้นมาก แต่ดนินเลิกแล้วแต่ก่อนไปไปตลาดหุ้นอยู่บ่อยๆก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้แกก็ไปตลาดหุ้นทุกวันเป็นกันซื้อถูกขายแพงคุณป้าก็เล่าว่าเมื่อสองสามปีก่อนขายหุ้นไปตัวหนึ่งรถใหญ่เลยได้กำไรสิบล้านเพื่อตามาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าเธอตอบว่ายินดีอะไรก็ล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้แล้วยี่สบล้าน กำไรนะคุณป้าไม่มีความสุขนะทั้งที่ได้กกะได้สิบล้านสิบล้านนี่ถูรักตุเตรียรวันที่หนึ่งกี่กี่ใบนะหลายใบยนะเพราะอะไรฮะแกไม่ได้คิดว่าแกแกแกไม่ได้แกไม่ได้คิดว่าแกได้สิบล้านแกคิดว่าแกเสียสิบล้านใช่ไหมเพราไปเปรียบเทียบ ว, ว่าเอ่าซื้อสิบล้านเมื่อสองสมวันได้สิบล้านเมื่อสองสามวันก่อนกับถ้าขายวันนี้ได้ยี่สิบล้านเปรียบเทียบ วันุงขึคุณป้าไม่มาที่ตลาดคุ้นเพื่อทําชิก็เลยไปถามว่าคุณป้าหายไปไหนไปถามาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งบอกว่าคุณป้าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเข้าไปเพราะอะไรฮะเพราะได้สิบล้านนะคุณได้เท่าไหร่นะคุณมีโชคเท่าไหร่นะคุณมองไม่เป็นนะเช่นมองเปรียบเทียบนะและมองเปรียบเทียบไม่เป็นนะคุณทุกข์เลยนะคุณได้ร้อยล้านคุณก็ทุกข์เข้าโรงพยาบาลนะถ้าว่าเปรียบเทียบแบบเนี้ย ฉะนั้นอ่นนาบอกวให้ปล่อยวางการเปรียบเทียบนะถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบมันดีๆหน่อย <c oughs> เปรียบเทียบอย่างอย่างเด็กนะคนหนึ่งวัยสิบสี่จิตอาสาไปเยี่ยมผมเธอร่วมหมดเลยเพราะว่าโดนฉายแสงโดนฉีก รับเคโมเธอเป็นมะเร็งสมองแต่หน้าตายิ้มแย้มมากเธอยังชวนจิตอาสามวาวาดรูปเล่นเลยเพราะเธอก็มีเจ้าสาวของหนูมีอารมณ์วาดรูปแบบนี้มะเร็งสมองนะเนี่ยชักพักคุแบบคุยมาตะกุบว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมียากิคนเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลย หนูโชคดีที่เป็นแค่มเมล็งสมองถ้าคุณเปรียบเทียบเงี้ยฉลาดใช่ไหมหนูเป็นแค่หนูโชคดีที่เป็นแค่เร็งสมองแค่เนี่ยนะเวลาคุณทุกข์นะถ้าคุณลองเติมคำว่าแค่ลงไปเนี่ยมันเล็กลงไปเลยโอ้เสียเงินถูกโกงแค่แสนนั่นแหะนะนะถูกโกงแค่แสน น, นั่นเอง คือถ้าเราถ้าเราถ้าเราถ้าเราฉลาดเนี่ยเราเปรียบเทียบเราก็จะทุกน้อยลงถ้าเราเปรียบเทียบเป็นนะแต่ส่วนอย่าเปรียบเทียบไม่เป็นเมื่อเปรียบเทียบไม่เป็นเนี่ยก็ควรจะวางมันลงซะปล่อยวางอีกอย่างนึงนะปล่อยวางเรื่องของคนอื่น คุณอาตมาพูดถึงคุณป้าคนที่เป็นทุกข์เพราะว่าช่วยใครต่อใครมากมายแล้วคนที่เธอช่วยบางคนเนี่ยก็อากตันอยู่ไม่สํานุนในบุญของเธอหลายคนเป็นอย่างนี้นะเวลาช่วยใครแล้วเนี่ยเป็นทุกข์ ที่เขาไม่เห็นความดีของเราไม่สำนึกในบุญคุณของเราคนเราเนี่ยนะเมื่อแต่ละความช่วยเลืจากใครนะก็ควรจะสำนึกใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่สำนึกเนี่ยมันก็เป็นกรรมของเขาคนที่อยากาตันยูเนี่ยนะเขากาลังทำพิบัตเขากาลังทำกรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่สำเร็จบุญของเรามันก็เป็นเรื่องของเขาเขอต้องรับวิบากเองเราจะทุกข์ไปทําไมอ่ะมันเรื่องของเขาอะ่ะใช่ไหมขอไม่เห็นความดีของเราก็เป็นเรื่องของเขาขอไม่สำเร็จบุญคุณของเรามันก็เป็นเรื่องของเข า, ข า, ข เ, า เ, เ, ขเข า, ขาต้องรับกรรมเขาเองเราจะทุกข์จะร้อนไปทําไม มีหลายคนนะีดูแลพ่อแม่นะโดยพ่อแม่ที่กำลังป่วยหนักแล้วก็ไม่เห็นพี่น้องคนอื่นมาช่วยพ่อมาดูแลแม่เลยจะเครียดนะไอ้เราก็ทํางานหนักอยู่แล้วนะดูแลพ่อแม่แล้วคนที่ดูแลพ่อแม่นี่หนักสารเสรินนะแต่หลายคนกำลังซ้ําเติมตัวเองไปเอาเรื่องของพี่น้องเนี่ยมา ทิมแทงตัวเองพี่น้องเนี่ยควรจะดูแลพ่อแม่ควรจะกะตัญญูต่อพ่อแม่แต่ถ้าเขาไม่ดูแลเขาไม่กตัญญูมันก็เป็นเรื่องของเขาขอต้องรับกรรมเขาเองแล้วเราไปทุกข์ทำไมอ่ะทําไมเรา เ, าเรื่อ ง, องเขามาเป็นปัญหาของเราใช่ไหมฮะหลายคนเนี่ยเอาเรื่อ ง, องคนอื่นมาเป็นปัญหาของเรา เราก็ทำหน้าที่ของเราไปดูแลพ่อแม่หลายคนเนี่ยถูกรังแกถูกกันแกล้งเกิดความโกรธคนเราเมื่อมีความโกรธในใจเนี่ยนะครู้จักปล่อยรู้จักวางถ้ารักตัวเองคุณจะพยายามหาทางคลายความโกรธปล่อยวางความโกรธไปจากจิตใจเพราะความโกรธเนี่ยมันเหมือนกับไฟที่เผาล้น แม่เผาลนกายเผาลนใจเราแต่หลายคนห่วงแห่งความโกรธมากเลย <c oughs> กลับไปที่คุณคุณป้าคนที่โกรธคนที่เนรคุณกับคุณป้าลูกสาวนี่นะอยากจะให้แม่เนี่ยเลิก อ, อาฆาเพยาบาทผู้ชายคนนั้น ก็ไปขอร้องแม่ว่าให้อภัยก็ไปเธอมันต้องสามสิบปีมาแล้วลูกสาวกลัวแม่นี่ยนะ่ะจะเป็นโรคเส้นเลอือดในสมองแตกแต่ถึงไม่เปน็นโรคนี้ไม่ไ ม, ไม่ป่วยก็อาจจะไปอาบายเพราะว่าถ้าใจมีความโกรธจนกรทั่งวันสุดท้ายเนี่ยจิตสุดท้ายเป็นอกุศลนี่ไปอาบายนะลูกสาวเนี่ยกลัวแม่ไปอาบายด้วยก็ขอร้องให้แม่เนี่ย ให้อภัยก็ไปเธอการให้อภัยก็เป็นการปล่อยวางอย่างหนึ่งนะแม่ไม่ยอมนะไม่ยอมเดียวไม่พอนะโกรธลูก่า็มาแนะนําแม่ให้แห่ภยัยจะโกรธลูกเหมือนกับว่าลูกนี่กําลังแย่งเอาของรักของห่วงไปจากแม่ไอ้ความโกรธนี่มันหน้าห่วงหน้าแหนที่ไหนอะ เออถ้าลูก ม, ม, มามาเอาที่ดินมาเอาเพชรนินจินดามาเอาพระสมเด็จไปนี่ก็น่าโกรธนะเพราะมั น, นมันหน้ามันน่าห่วงหน้าแหนใช่ไหมแต่ความโกรธเนี่ยมันหน้าห่วงแหนที่ไหนแม่ที่กลับว่าลูกเนี่ยกลับโกรธลูกเหมือนกับว่าลูกเนี่ยกำลังมาแย่งชิงของรักของของแหนของรักของห่วงไปจากแม่อัตมาเจอหลายคนนะที่พร้อมจะสละเงินเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน โดยที่ไม่คิดเลยไม่มีการคิดลังเลเลย <c oughs> แต่เวลาจะสละความโกรดนี่โอ้ไม่ยอมนะยากมากเลยนะสละเงินนี่ง่ายนะสละความโกรดนี่ยากแล้วความโกรดมันหน้ามันน่าสลานะมันน่าสลามากกว่าด้วซ้ําเงินนี่น้าเก็บเอาไว้ <c oughs> แต่หลายคนเนี้ยเงินเนี่ยสละให้ไปได้เลยแต่โกรดนี่เก็บเอาไว้ หลาคนจะบอกว่าเนี่ยฉันจะให้อภัยเขาได้ต่อเมื่อเขามาสำนึกมาขอโทษฉันถ้าเขาไม่ขอโทษฉันฉันจะไม่แห่ภยัยที่จริงเนี่ยการที่เขาจะมาสำนึกหรือขอโทษเราหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขานะมันไม่ใช่เรื่องของเราเ ถ้าเขาไปรังแกใครเขาไปเนรคุณใครแล้วเขาไม่สำนึกเขาก็รับกรรมเขาเองทำไมาแล้วต้องไปไ ป, ไปทุกไปร้อนกับการที่เขาไม่มาขออภายัยคนที่รักตัวเองนี่นะเขาจะไม่ตั้งเงื่อนไขแบบนี้หรอกคนที่รักตัวเองเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองโกรธเมื่อไรและรับรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะเขาจะพยายามที่จะวางความโกรธ สมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินข้ามถนนแล้วก็มีรถเฉียวชนจนแขนหักขาหักแต่รถคันนั้นก็ขับหนีไปในเวลาต่อมาในทันทีทันไดก็มีรถพยาบาลเนี่ยมารับชายผู้นั้นเนี่ยซึ่งกลังบาเดเจ็บไปโรงพยาบาล ชายผู้นั้นเนี่ยสมควรขึ้นรถพยาบาลไหมถ้ารักตัวเองต้องรีบขึ้นรถพยาบาลใช่ไหมแต่เ้าบอกว่าฉันจะไม่ขึ้นรถพยาบาลฉันจะไม่รักษาตัวเองอขาดจนกว่าไอ้ตีผีคนนั้นเนี่ยมาขอโทษฉัน <c oughs> คนนี้ฉลาดหรืองโง่นะคนนี้รักตัวเองหรือเปล่า <c oughs> หลายคนไม่ทำอย่างนี้กับเวลาที่ตัวเองเนี่ยมีบาดแผลในร่างกายแต่เวลามีบาดแผลในจิตใจส่วนใหญ่ทําอย่างนี้นะกูจะไม่ขอกูจะไม่ ไม่ไม่เยียวยาจิตใจจนกว่ามึงจะมาขอโทษกูก่อนกูจะไม่ให้อภัยมึงจนกว่ามึงมาขอโทษกูก็คือเพิ่งคือปฏิเสธที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองจนกว่าเขาจะมาขอโทษฉันเขาจะขอโทษไม่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ขอโทษเป็นกรรมของเขาแต่หน้าที่ของเราคืออะไรเราต้องรีบเยียวยารักษาไม่ว่ากายหรือใจถ้าความโกรธมันเผาลนใจก็ต้องรีบ แต่คนส่วนใหญ่นะเป็นอย่างนี้ทำตรงข้ามเนี่ยอันนี้คือการเอาเรื่องของข้ามมาเป็น ป, ปัญหาของเราแม้กระทั่งเวลาหลายคนนะอาจจะเคยเป็นนักปฏิบททัติธรรมหรือตอนนี้กำลังเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่เคยเจอไหมว่าเพรียบคอยไปหงุดหยิดรำคาญที่คนอื่นเขไม่ปฏิบัติให้เราก็เดินจงกรมให้เราก็นั่งสมาธิ แต่ข้างๆเขาไม่ปฏิบัติอะเราก็เป็นหุึงลำคาญเขาว่าทําไมเธอไม่ปฏิบัติปฏิบัติหรือไม่ปฏิเรื่องเขาใช่ไหมแล้วเราทุกข์ทำไมหลายคนก็ทุกข์นะนี่เพราะอะไรนี่เพราะวางใจไม่เป็นไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของเราอันนี้รวมถึงว่าใครไม่ชอบเราเนี่ยเราทุกข์ทำไมเวลามีคนไม่ชอบเราเนี่ยมีคนมาบอกเราเนี่ยนายกรนายขอนี่เขาไม่ชอบที่หน้าเธอเนะ เราทุกข์เลยเราทุกข์ทำไมอ่ะเขาชอบหรือไม่ชอบเขาชอบหรือไม่ชอบเราไปเรื่องของเขาใช่ไม้มแล้วทำไมเอาเรื่องเขามาเป็นปัญหาของเราเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยนั้นเนี่ยนี่คืออย่างหนึ่งที่ต้องปล่อยวางนะแล้วคนไม่เคยตระหนักนะว่าเรากำลังแบกปล่อยวางเรื่องของคนอื่นซะก็จะปฏิบัติทำให้ปฏิบัติตไมไมเลาวไปเรื่องเขา หรือว่าแม้ก็ทั่งเวลาทํางานเนี่ยหลายคนก็ทําไปบ่นไปทําไปบ่นไปเพื่อรุมงานมันไม่ข ย, ยันเลยนะมันอู้งานนะมันทํางานน้อยกว่าเรานะมันเป็นเรื่องของเขานะเราอย่าซ้ําเติมตัวเองเหนื่อยกายก็พอแรงแล้วเนี่ยอยเหนื่อยใจงั้นะถ้าเราเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของเราเนะเราเราทุกข์นะเรากำลังซ้ําเติมตัวเอง ปล่อยวางอะไรบ้างฮะปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางปัจจุบันนะปล่อยวางสิ่งที่ไม่สมหวังนะปล่อยวางการเปรียบเทียบปล่อยวางเรื่องอื่นนะนี้สำัยสุดนะคือปล่อยวางนี่ยากหน่อยนะปล่อยวางให้ความยุติธในตัวปู่ของปูเนี่ยนี่สำคัญมากเล คนเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็เพราะมันมีตัวกูของกูเนี่ยนะมันเป็นเป็นแกนกลางเลยทำไมเวลามีเสียงด่ากระทบหูเนี่ยเราถึงทุกข์นะเพราะเรารู้สึกว่าเขากลาลังด่า ก, กูเขากลาลังด่า ก, กูเวลาอของหายเงินหายเนี่ยทำไมถึงทุกข์เพราะเรายึดติ่าเงินของกูใช่ไม เวลาปวดแขนปวดขาทำไมใจมันทุกข์เพราะมีเขาซื้อว่ากูปวดกูเจ็บนะถ้ามันมีตัวกูอยู่นี่นะมันจะทุกข์ง่ายมากเลยอะไรเกิดขึ้นอะไรมากระทบกับกายกับใจเป็นทุกข์ไปหมดนะ แต่ไม่ก็ตามที่เราถอนความยึดติดในตัวกูของปูได้คือเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวกูเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นนะปักทรัพย์สมบัติอะไรเกิดขึ้นกับกายเราก็ไม่ทุกข์หลวงพ่อโตเนี่ยนะท่านไม่ได้ยึดว่าไอ้ของที่ขนมานะ บนเรือนี่นะมันเป็นของท่านนั้นโจมเราไปท่านก็ไม่ทุกข์อะไรมีคราวหนึ่งนะท่านกำลังนอนอยู่ที่วัดระครังนะโจรเนี่ยมันม า, ม, น ม, ามันมาเอามันมาขนเรือที่ที่ที่ที่เขาเรียวกว่าอะไรที่มาตั้งไว้เนี่ยที่มาจอดไว้เนี่ยนะใต้ถุน <c oughs> ก็เป็นเรือเรือพายนะ ลากออกไปที่จริงก่อนจะลากเนี่ยนะขโมยของก่อนเอามือเนี่ยล้วงเข้ามาตรงตรงตรงช่องกันนะช่องพื้นนะมือล้วงไม่ถึงเท้าก็เอาเท้าแย่ไปให้การเอาเท้าแย่ให้เนี่ยแสดงว่าเป็นการให้นะรือท้านสงสาว่าถ้าขโมยเนี่ยขโมยของพลาดมันบาปนะท่ า, น, า, น, านไปเลยสงเคราะห์ให้ก็ไปสันหน่อยนะเท้าแย่ ไอ้โจมไม่พอจำจะขนเลือไปด้วยนะข น, ขนดังท้า ก, ก็เลยยื่นศีสษะไปที่หน้าต่างว่าขนเบาๆเนี่ยจหาเดี๋ยวคนในเดี๋ยวคนในวัดเห็นจะมาจะมาเล่นงานเธอนะแล้วก็แนะนำนี่นะว่ามันต้องมีอะไรมาลองนะถึง จ, จะขนได้เสียงไม่ดังเนะีนะ่ยสุดท้ายโจนี่นะมันมันคงเกงใจหรือไอาจาจมึงก็เลยเลิกไปเลยนะ จะขโมยทั้งทีเนี่ยเจ้าของเรือยังมาอำนวยความสะดวกให้คือถ้าไม่ทุกข์เลยเพราะถ้าไม่เชื่อเป็นของของท่านนะเวลาทําความดีเนี่ยถ้าเราถ้าเรายึดนะถ้าเรายึดว่ามันต้องดีแบบเราเนี่ยหรือว่ามันต้องเป็นไปนอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเนี่ยเราก็ทุกข์นะ แต่เราเก็บเวลาปล่วยถ้าเรามีความยึดในตัวกูเราก็ทุกข์ไม่ใทุกข์แค่กายทุกข์กระใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราวางให้ความยึดในตัวกูได้หรือว่าวางตัวกูเนี่ยนะมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยหลวงปู่บุตรดาเนี่ยท่านเมื่อสักห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยหลวงปู่บุตรดาถาวโรนะท่านไปเอานิ้วไปเผาเานื้วออก ผ่าเสร็จเนี่ยไม่ถึงสิบห้าทีท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วเขายัางชั่วแล้วหมอตกใจนะเพราะปกติคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ก็ยังบ่นเบางคนปวดเลยเขาก็เลยปูด ก, กับหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไม่เจ็บเหรอคนที่ผ่าน้อยกว่าหลวงปู่ยังเจ็บเลยหลวงปู่ทำไงถึงไม่รู้สึกเจ็บหลวงปู่บอกว่าเจ็บสิทําไมไม่เจ็บนะ ร่างกายของหลวงปู่ก็เหมือนคนทั่วไปแหละมันก็เจ็บแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายด้วยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจ็บเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายมันเจ็บนะแต่รู้สึกว่ากูเจ็บเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกหรือไม่ได้เห็นว่าขามันปวดมันเมื่อยนะนรู้สึกว่ากูปวดกูเมือ่อย มันมีตัวกูเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของความปวดเรียกวเป็นผู้สวยเวทนาแต่ถ้าเกิดว่าเห็นจริงๆนะเออมันคนที่เขาวางตัวกูของกูได้นี่นะจะไม่รู้สึกเลยว่าหรือไม่มีความสำคัญม่นหมายว่ากูเจ็บก็เห็นแต่ว่ามันเป็นกายที่เจ็บใจไม่ได้เจ็บด้วย พอใจไม่เจ็บด้วยนะความความทุกข์มันจะลดลงพวกภาาเลยนะเพราะความทุกข์ก้อนใหญ่เนะี่เป็นความทุกข์ที่ใจเพราะเกิดจากความยึดมั่นในตัวกูอีกคราวหนึ่งถ้าไปถ้าไปฉันรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านโยมพบอกว่าอาหารมีพิษนะพระที่มากับท่านเนี่ยที่จริงรวมนั้งท่านด้วยกอาจเจียนอย่างเลยนะแต่ว่าพระส่วนพระที่เหลือนี่นะอาจเจียนจนหมดแรงนอนหมดสภาพเลย หลวงปู่เนี่ยกับนั่งคุยกับโยมได้ทั้งที่ท่านอายุมากกว่าคนอื่นท่านอายุร้อปีนะตอนที่มรณภาพตอนที่เกิดเหตเนี่ยท่านคงยัสักแปดสิบเก้าสิบแล้วละท่านคุยกับโยมได้สักพักท่านก็เอากระโถนมาอาเจียนแล้วท่านก็นั่งคุยต่อโยมก็สงสัยทําไมหลวงปู่ไม่เป็นอะไรเหมือนผ้าลูกอูเลยท่านอธิบายว่าร่างกายเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่นะดินน้ําไฟลมเวลาโดนยาเบือ่อยาเมามันก็แสดงอาการอย่างนี้แหละ นะหรืออาเจียนแล้วก็คลื่นไส้แต่ใจไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาด้วยนะมันจะไม่เป็นอะไรอย่ามาปนกันนะกายกับใจอย่ามาปนกันคนละเรื่องกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่นะมันไม่ใช่แค่รู้สึกว่ากายเนี่ยนะมันคลื่นไส้หรือว่ามีทุกขเวทนาเนื่อว่ากู กูเจ็บกูป่วยอันนี้เรายังมีความคิดมันในตัวกูเพราะฉะนั้นเนี่ยถาาว่าวางไอ้ตัวนี้ลงไปได้เนี่ยตัวกวงกูเนี่ย <c oughs> จะคลายความทุกข์ไปเยอะจิต ก, ก็จะเป็นสุขได้ง่ายแม้ว่ากายมันจะป่วยก็ตามร <c oughs> วมทั้งแม้ว่าจะมีใครมาเอาทรัพย์สมบัติอะไรไปก็ไม่ได้ทุกขนะ์เพราะไม่ได้ยึดว่าเป็นของกูตั้งแต่แรก อันนี้เนี่ยพูดกาปล่อยวางมาอย่างคร่าวๆแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็คงอธิบายคงจะเห็ น, นชี้เห็นชัดเจนนะว่าเวลาพูดปล่อยวางปล่อยวาง เ, เราพูดปล่อยวางอะไรนะบางทีเราพูดจกนกระทั่งเราลืมไปเราพูดจกนกระทั่งไม่รู้ว่าปล่อยวางอะไรนะและที่พูดมาทั้งหมดก็คงจะชี้เห็นนะว่าปล่อยวางเนี่ยมันไม่เหมือนกับปล่อยป่าลอดเลย หลวงพ่อหรือท่านอาจาพุทธทาสท่านก็ก็ยังทางานทุกวันถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จทุกวันแต่ถึงวันรุ่งขึ้นท่านก็ไปทำงานนะหลวงพ่อพยายมท่านก็ปล่อยวางเรื่องหนี้สินแต่ว่าท่านก็พยายามหาเงินเพื่อมาใช้หนี้นะอยู่ทุกวันปล่อยวางไม่แปลไม่ทำอะไรเลยนะปล่อยวางเป็นเรื่องการทำจิตนะ ส่วนการทำกิจยังทำอยู่ป่วยก็ไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์แต่ว่าก็ต้องรักษานะต้องรักษาการรักษาเป็นการทำกิจเป็นการทำกิจต่อร่างกายเหมือนกับเรือมันรั่วก็ต้องซ่อมแต่ใจไม่ทุกข์หลังคารั่วใจไม่ทุกข์แต่ก็ต้องซ่อมไม่ใช่ว่าปล่อยปปแล้วเลย อย่างพระรูปหนึ่งที่วัดน้องประพงศ์มีคาหนึ่งพายุเกิดพายุพัดนะสมัยก่อนกุฏิของพระน้องประพง์เนี่ยเป็นกุฏิทําด้วยมุงด้วยยาคาเนี่ยพอโดนลมพายุพัดเนี่ยมันก็อหลังคาก็หายไปครึ่งหนึ่งนะพระที่อยู่ในกุฏินั้นเนี่ย ท่านก็ไม่ทำอะไรกับหลังคานะท่านก็ยังภาวนาอยู่เหมือนเดิมหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าทำไมไม่ซ่อมหลังคาพระท่านก็บอกว่ากาลังฝึกปล่อยวางครับหลวงพ่อชาก็บอกว่าปล่อยวางเนี่ยนะมันไม่ใช่วางเฉยแบบบวาแบบควายนะมันต้องใช้ปัญญาปล่อยวางเป็นเรื่องการทำจิตส่วนทำกิจก็ต้องทำด้วยนะคือว่าหลังคา ทางก็ต้องซ่องอันนี้เข้าใจนะตอนี้ถามว่าปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องการทำจิตเนี่ยมันปล่อยวางด้วยอะไรอย่างแรกคือใช้สตินะมีสติสติถ้าไห้เรารู้ทันความคิดคนเราทุกาความคิดคิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วบ้างไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงบ้างแล้วก็ทำให้ทุกข์พอทุกข์แล้วก็กกนะกยิ่งจมไปใน ยิ่งจมไปในความคิดและในอารมณ์มากขึ้นสติมันทำให้เกิดความรู้สึกตัวสติมันช่วยดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันงั้นถ้าเราฝึกสติดีเนี่ยนะใจเราจะอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างต่อเนื่องเราก็จะวางอดีตวางอนาคตและรู้เท่าทันเวลามีอารมณ์ปัจจุบันเข้ามากระทบ เสียงดังเสียงโทราศัพท์เสียงพูดคุยหรือความเจ็บความปวดความไม่ที่เกิดขึ้นพอเรารู้ทันว่าใจมันจมเข้าไปในเสียงหรือไปยึดติดในในความเจ็บความปวดมันจะวางเมื่อรู้ด้วยสติเนี่ยมันจะละมันจะวางได้ประการที่สองคือว่าการเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญา คือถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นความจริงนะอย่างแจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตัวกูนี่นะมันก็จะช่วยปล่อยวางได้เยอะเลยอย่างที่หลวงปู่บุด่านี่ท่านได้เป็นแบบอย่างแต่คนธรรมดาเนี่ยก็อาจจะ ย, ยังเห็นไม่ถึงขั้นนั้นแต่อน้อยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเห็ น, ะ there, Bliss, ing, นปัญหาว่าเป็นธรรมดาเห็นความเจ็บความป่วยว่าเป็นธรรมดาเห็นความพังพ่านสูญเสียคำต่อว่าด่าทอเป็นธรรมดา เพื่อไม่กดไ like, ลค์เราก็ไม่ทุกข์เพราะมันเป็นธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่บอกพอมีคนไม่กดไลค์โอ้ทุกข์ใหญ่นะกลุ่มกุ้งใจเดีย๋ยวหรือว่ามนันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราการเห็นว่าเป็นธรรมดาเนี่ยมันช่วยได้เยอะมันมีบทสวดนะที่จะช่วยทําให้เราเห็นอะไรเป็นธรรมดามากขึ้นบทสวดที่ชื่อว่าหรือบทพิจารณาที่ชื่อว่าอภินันทประเวท เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นพิจารณาไวแล้วลึกถึงบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันนะความทุกข์ได้และทำให้เราเห็นว่ามันเป็นธรรมดา การมองแบบหนึ่งนะที่จะช่วยให้ปล่อยวางได้เนี่ยก็คือการมองเห็นสิ่งที่เป็นบวกบ้างอย่างอย่างซิโ ก, โกเนี่ยถ้าเขามองเห็นด้านที่เขาได้ระหว่างที่ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็จะปล่อยวางไอ้ความไม่สมหวังที่ไม่ได้ลงสนามก็ถือว่าเออไม่ได้ลงสนามแต่ยังได้และต้องหลายอย่าง หลายคนเนี่ยมีความทุกข์กับคนนั้นคนนี้เพราะไปเห็นแต่ด้านลบของเขาคุณพิพิธภูมิเนี่ยเลาใ้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยนั่งรถแท็กซี่แล้วก็แท็กซี่จู่ๆ ก, ก็ก็เล่าขึ้นมาก็คงมีการคุยกันก่อนนั้นๆนะแต่แล้วอยู่เล่าขึ้นมาว่าเมื่อสิบสี่สิบห้าปีก่อนเนี่ยลูกชายตัวเล็กๆเนี่ยป่วยหนักหายใจไม่ออกจะชักก็ตกใจมากเลย ตอนนั้นรถนี่ก็ไปตอนนั้นไม่มีแท็กซี่่ตอนนั้นรถไปคืนบริษัทแล้วตีหนึ่งอุ้มลูกเนี่ยนะจากปากเขาไปที่ปากซอยแถวลาดพร้าวแล้วก็พยายามเรียกแท็กซี่แต่ไม่มีแท็กซี่เลยลูกก็อาการเพียบหนักก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีรถบิกอัพก็เลยไปปลุกเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านก็กุลิกุจอ่ะนะขับรถเนี่ยไปส่งที่แถวโรงพยาบาลเด็กมั้งโรงพยาบาลไร้วิถีโรงพยาบาลเด็กนะพอส่งลูกให้ให้หมอให้พยาบาลเสร็จแท็กซี่ก็ถามเพื่อนบ้านว่าจะคิดค่ารถเท่าไหร่เพื่อนบ้านบอกห้าร้อยในใจแท็กซี่นี่แกกระฉุนกึกเลยนะ เพราะว่าจากบ้านแกเนี่ยมาโรงพยบาบาลเนี่ยเวลาตีหนึ่งเนี่ยนะสองร้อยมันก็พอแล้วแล้วแกผูกใจเจ็บแกผูกใจเจ็บเพื่อนบ้านคนนี้มากเลยมันเอากูต้องห้าร้อยนะแล้วแกเล่าให้คุณพิพิธฟังนิดนึน้ำเสียงที่ขุนเคืองเหมือนกับว่ายังไม่มีความยังยังไม่คลายความความโกรธ แล้วคุณ พ, พี่ก็ดาว่าแกคงจะไม่ได้คุยกับแกไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แกฟังเป็นคนแรกคงจะเล่ามานับครั้งไม่ทวนนะคุณพี่ๆก็เลยถามแท็กซี่ว่าแท็กซี่วันหนึ่งบุขับกี่ชั่วโมงประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงครับแล้วคุณได้พักบ้างไหมก็ได้พักไม่มากแล้วครับแต่มาถึงบ้านผมก็นอนเลย ผุณพี่ก็เลยถามว่าถ้ามีคนมาเรียกคุณตอนตีนหนึ่งเนี่ย mm. คุณจะไปไหมผมไม่ไปหรอกครับสุขภาพสําคัญกว่าผมเหนื่อยผมอยากจะพักเหนือไม่สําคัญแล้วคุณพี่พก็เลยพูดว่าเนะ mm. พื่อนบ้านของคุณเนี่ยนะก็ mm. าอาจจะทํางานหนักยิ่งกว่าคุณอีกนะและเขาก็อยากจะพักความเหมือนคุณ แล้วจู่ๆถ้าเกิดตีหนึ่งเนี่ยมีคนมาหาอุ้มเด็กมาซึ่ ง, งอะไรชักซึ่งเหาังาหายใจไม่ออกเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยนะถ้าเขาไม่มีรถไม่มีน้ําใจเนี่ยเด็กคนนั้นตายไปแล้วแต่ว่าตรงข้ามเพื่อนบ้านนะเขาก็พยายามเนี่ยขับรถเนี่ยนะไปส่ง คุณแล้วก็ลูกนะเขาช่วยชีวิตคุณเขาช่วยช่วยลูกของคุณเอาไวนะ้ถ้าว่าคุณเห็นนะว่าเขาช่วยชีวยลูกงคุณเนี่ยนะแล้วคุณกำเงินให้เขาเลยนะพันหนึ่งเนี่ยคุณจะไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยทุกวันนี้คุณก็จะมีความสุขพอพูดอย่างนี้นี่ทักซีก่แกได้คิดเลยนะทักซี่เนี่ยจกทุกเพราะว่าจะติดอยู่กับ การที่เพื่อนบ้านเนี่ยเรียกเงินห้าร้อยแต่สิ่งแท็กซี่ไม่ได้คิดเลยคือว่าหนึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยทํานี่ได้เนี่ยเขาต้องมีน้ําใจนะสองเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยชีวิตรูเข้าไว้คุณพี่ๆก็ถามต่อว่าเนี่ยที่คุณเรียกเงินเข้าห้าร้อยที่คุณถามว่าเงินเข้าห้ารอยเนี่ยพระลึกๆคุณคิดว่าเขาจะปฏิเสธใช่ไหม ถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณเรียกถ้าคุณถามเขาว่าจะเอาเงินเท่าไหร่เนี่ยด้วยความตั้งใจว่าเขาเรียกเท่าไหร่ก็จะให้คุณจะไม่มีความทุกข์เลยแต่คุณคิดว่าเขาจะเขาเขาจะไม่เรียกร้องเงินพอเขาเรียกร้องเงินมันไม่เป็นไปนอย่างที่คุณคิดคุณก็เลยโกรธเขาใช่ไหมคือซักสค่งนี้เนี่ยนะแกะโกรธก็เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะนะ เลี้ยเงินแกห้าร้อยอันนี้คือสิ่งที่มันมันเป็นแง่ลบที่มันฝังใจแท็กซี่แต่แท็กซี่ลืมมองด้านบวกไปว่าเพื่อนบ้านนี่นะเขามีน้ำใจเนี่ยตื่นมากลางเดืกเพื่อที่จะส่งเขาและลูกไปโรงพยาบาลแล้วเช็งงานคือช่วยชีวิตเขาไว้พอคุณพิพิธพูดแบบนี้ขึ้นมานะ แกเก็ตเลยนะความกลัวจะหายไปเลยนะแกไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนเลยแกคิดแต่เพียงว่ามึงเรี้ยงเงินกูห้าร้อยบาทนะ <c oughs> ซึ่งเป็นสิ่งที่แกไม่คาดคิดไงเพราะแกคิดว่าเพื่อนบ้านต้องไม่เรื่อไม่เรียกเงินหรือควรจะเรียกสักสองสามรอยแกทุกถึงสิบห้าปีนะ <c oughs> เพียงเพราะเห็นแต่ด้านลบของเพื่อนบ้าน ตามความเข้าใจแกแต่แกแล้วแกลืมมองเห็นด้านบวกพอผูช้ชนนี้เนี่ยความทุกข์จะหายไปเลยนะแล้วก็คุณพิพล่าว่าเนี่ยพอไปส่งที่สนามบินนะแท็กซี่มากราบไปเลยเพราะว่ามันทำให้แผลในใจแกหายคือมันเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองเท่านั้นนะจากการมองลบนะมาเห็นบวกมาเห็นด้านบวกของของเพื่อนบ้านมันเนี่ยว่าเขานี่มีน้ำใจนะตื่นมากลางดึก แล้วก็ช่วยชีวิตลูกเราไว้ความทุกข์ของคนเนี่ยความความปวดความแค้นงหลายคนเนี่ยเพราะมันเพราะเห็นแต่ด้านลบของคนหรือของขอ ง, ของเหตุการณ์นะแต่ทันทีที่เห็นด้านบวกนี่นะมันหลุดเลยนะมันหลุดเลยความทุกข์อ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกชื่อเค ตอนอยู่ปีสามเนี่ยเธอสวยมากแล้วก็ได้รับเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัยประมาณปีสีเนี่ยเธอก็รู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้นยังไม่มี Facebook นะอาจจะมีไฮไฟติดต่อไปติดต่อมาผู้ชายเกิดลงรักเธอแล้วก็นัดพบกันแต่จริงๆเค้เธอก็ไม่ได้มีใจ ให้กับผู้ชายคนนั้นในลักษณะ น, นั้นพอผู้ชายรูปความเีผู้ชายโกรธมากเนี่ยจะเชื่อไหมเอาน้ำกรดเนี่ยมาสาดหน้าเธอเสียโฉมแล้วตาบอดไปข้างหนึ่งคนที่เคยภูมิใจนะมีความสุขกับรูปร่างหน้าต่างตัวเนี่ยพอมาเจอแบบ น, นี้เนี่ยรู้สึกคิดมันไร้ค่าลนะ่ะอยาจะฆ่าตัวตายแต่เธอก็หักห้ามใจได้เพราะนึกถึงแม่ แต่ก็ขอร้องแม่ว่าขอย้ายบ้านนะเพราะว่าอายอายที่คนที่เคยเห็นเธอสวยเนี่ยต้องมาเห็นเธอในสภาพนี้เธออายนะทั้งที่เธอไม่ได้ทำผิดอะไรหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ค่อยทำใจได้ทําใจได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายฟังต่อหลังเธอก็ไปทํางานที่เป็นพนัก ง, งาน c เซ็นเตอร์ให้ธนาคารแห่งหนึ่ง ทุกเชา้าเธอก็นั่งรถไฟฟ้าเนี่ยไปที่ทํางานเธอไม่ปิดบังหน้าต่างตัวนะมีคนเคยเห็นเธอทางโทรทัศน์เธอออกรายการโทรทัศน์ก็เลยถามว่าคุณชื่อเคชใช่ไหมเธอก็ตอบว่าถูกต้องแล้วค่ะนะไม่มีความอายเลยเลยที่จะบอกว่าเนี่ยฉันคือคนนั้นนหละมีคนถามเธอว่าเธอโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกเธอไม่โกรธเลยจริงๆอยากจะขอบคุณด้วยซ้ำเพราะเหตุการณ์นั้นเนี่ย มันทำให้มันทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมากับเธอข้อแรกคือทำให้เธอเนี่ยอยู่กับแม่ถ้าเธอเนี่ยทาให้เธออยู่กับแม่ได้ได้มีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้นแต่ว่าถ้าเธอถ้าเธอยังสวยเนี่ยก็คงจะไปสนุกกับแสงสีนะแต่ข้อที่สอนที่สำคัญก็บอกว่ า, วามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วเธอก็อธิบายว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอเป็นคนทาอะไรยึดติดมาก แค่คนอื่นแต่การที่เจอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทําให้เธอได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่จีรังหน้าตาที่สวยงามของเธอเนี่ยในที่สุดก็ต้องเสื่อมโทรมไปถ้าไม่ใช่ในวันนี้มันก็ต้องวันหน้านะแต่การที่มันเกิดขึ้นมันก็ทํำให้เธอเห็นนะว่ามันมีอะไรที่จีิงรังแล้วมันทําให้เธอได้เรียนรู้การปล่อยวาง และหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เนี่ยอะไรอะไรที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยเธอวางมันได้มากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เห็นว่าไอ้การเสียโฉมเนี่ยนะมันคือเหตุที่เลวร้ายนะทำให้เธอเนี่ยไรคุณค่าพอเธอมองว่าเ้ยมันสอนให้เราเห็นนะว่ามันมีอะไรที่จีรังเนี่ยเธอเนี่ยหลุดจักไอ้ความทุกข์เลย เหตุร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราเห็นแต่ด้านลบนะเราจะยุ่งสุว่ามันเจ็บปวดเป็นแผลแต่พอเราเห็นว่ามันเป็นบวกเมื่อไหร่เห็นประโยชน์ของมันเมื่อไหร่นี่นะเราจะมันจะหลุดไปจากใจเรามันจะไม่มาทิ่มแทงจิตใจเราต่อไปหลายคนเนี่ยทนยหลายคนทนอยู่กับใบหน้าที่เสียโฉมไม่ได้เพราะเห็นแต่ด้านด้านลบด้านร้ายของมัน แต่ถ้าเห็นว่าอมันก็มีประโยชน์นะมันก็เป็นแง่บวกให้เราตรงที่ทําให้เราเห็นความจริงนะของชีวิตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอยู่กับใบหน้าที่เสื่อมเสียได้ <c oughs> เวลาเรามีความเวลาเรามีอย่างเช่นคุณคุณป้าวันที่แกมีความทุกข์กับเหตุการณ์แนดดีสมัยที่ยังเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่รักเนี่ยถ้าเธอลองมองว่าเออ เหตุการเหล่านี้เนี่ยมันช่วยเรานะมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นมันทําให้เราเนี่ยรู้จักพึ่งตัวเองถ้าเธอมองแบบนี้นะความเป็นความทุกข์มันจะหมดไปเธอจะปล่อยวางมันได้ไม่ลืมก็จริงแต่ว่าไม่ทุกข์กับมันละเรื่องไร้ายนี่นะมันยังจะมันจะยังทิ่มแทงเราต่อไปถ้าเรามองเห็นแต่ด้านลบของมัน แต่พอเห็นด้านบวกนี้นะมันพลิกเลยนะพวกเรารู้จักโปรโมเมรไหมโปรโมเมรู้รจักเมไหมเมมีสองเมนะเมลัชนกกับเมเ อ, เอริยานี่นักตีกรนะตอนนี้เนี่ยเขาสร้างชื่อเสียงเมืองไทยเยอะนะเขาได้แชมป์เฉพาปีนีน้ได้แชมป์มาห้าหรายการละโดยเฉพาะแชมป์เมเจอร์ ช, ชื่อเอริยา ตอนนี้กลังกำ ล, ลังมาแรงในวงการกอฟผู้หญิงเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยชีวิตการเล่นกอบฟเธอเนี่ยมันหล่นวูบเลยนะตกต่ำ ม, มากนะตกรอบตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็บางทีก็ป่วยอันดับของเธอเนี่ยอันดับที่เรียกว่าอยู่ท้ายๆเลยเนะี่ยเกือบร้อย จากคนที่เป็นจากคนที่เป็นดาวรุ่งนะแล้วเกือบจะได้แชมป์เนี่ยแล้วก็หล่นนะตกลงมาเลยเนี่ยแต่ตัวหลังเนี่ยเธอเธอสามารถจะฟื้นขึ้นมาได้และปีนี้ได้มาห้าแชมป์เธอพูดถึงความล้มเหลวหรือว่าเหตุการณ์แย่ๆเมื่อสามปีที่แล้วว่าโชคดีตัวว่าเมยโชคดีนะนะที่มัน อยากจะขอบคุณเหตุการณ์ที่แย่ๆในช่วงสามปีที่ผ่านมาเธอให้ผลว่าเพราะคนเราเทุกมันต้องมีช่วงชีวิตที่มันตกต่ำย่ำแย่หรือต้องเจอเหตุการณ์เลร้ายแต่เธอโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับเธอตอนที่เธอยังอายุไม่มากทำให้มีเวลาที่จะเรียนรู้และมีเวลาที่จะก้าวข้ามปัญหาของเมยเนี่ยคือว่าเธอมักจะเธอมักจะทําแนนได้ดี ในช่วงต้นๆแต่พอถึงสองสามลงจุดท้ายเธอจะรนมากแล้วก็ตีผิดตีถูกแล้วก็ทำให้ตกแชมป์แล้วก็ทำให้เธอถุกแย่มากๆแก้เท่าไหร่แก้ไม่ตรงนะอาการรนเนี่ยจนกระทั่งต้องไปจ้างโค้ชฝีมือดีมาเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ก็เอาเทปการเล่นเก่าๆของเธอมาดูว่าทำไมเธอพลาด พราะว่าเนี่ยเธอรนคนนึ่เ น, เลลนเนี่ยเวลารนเนี่ยจะตีช้าแต่เธอตีเร็วนะแล้วโค้ชก็พยายามทำให้เธอเนี่ยติดเล่ น, เ ล, นเล่นกอไปช้าลงตีให้ช้าลงแต่ไม่สำเร็จนะสุดท้ายมาพบ ว, ว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้นะเชื่อไม่คืออะไรยิ้มโค้ชบอกว่าเวลาเธอพอหลุด้ท้ายเนี่ยเธอให้ยิ้มเข้าไว้นะเพราะยิ้มกับคนไทยเนี่ยเป็นของคู่กันนะ แล้วก็ยิมเนี่ยทําให้เธอเนี่ยได้สติแล้วก็เล่นช้าลงแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงช่วงไ ท, ท้ายเนี่ยลุมไทาทายเนี่ยซึ่งเคยเป็นเป็นกับดักมอร์นาของเธอเนี่ยปรากฏว่าเธอข้ามได้สามารถจะตีได้จนกระทั่งได้ได้แชมป์ก็คือเรียนรู้จากความล้มเหลวไอ้ความล้มเหลวที่ผ่านมาในช่วงสามปีที่มันตกต่าแย่มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแพลแผลมันไม่ได้เป็นแผลที่ทิมแทงใจเธอแล้ว เวลานึกถึงมันทีไลเธอขอบคุณนะที่มันทําให้เธอได้เรียนรู้อถึงบอกว่าเนี่ยโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับเธอในเวลาที่เธอยังอายุไม่มากทำไม่เธอมีเวลาเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราพอมีความรุ่มเหลือมันมันจะขาดใจมันจะฝังใจและที่เป็นช่นนั้นเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ของมันไม่เห็นคุณค่าของมันถ้าเห็นคุณค่ามันเมื่อไหร่นะมันจะไม่ขาดใจมันจะไม่ฝังใจมันจะหลุดจากใจได้ ไม่ใช่ว่าลืมนะมันไ ม, มไม่ลืมแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดกับมันลนี่เป็นวิธีการในการปล่อยวางอีกเหมือนกันนะอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็คิดว่าคงจะยุติเพียงเท่านี้นะโอกาสท่านอาจารย์นะครับไม่ทราบว่าจมีท่านใด่จะมีคำถามหรือว่ามีข้อ ข, อ ข, อขอใจหรือว่าในช่วงเวลาอย น, นี้ ก็อยากจะอสอบถามอะไรนะฮะก็มูลได้เลยครับได้ให้เด็กเดินใหม่ใช่ไหมครับถ้ า, ถายังไม่มีขอถือโอกาสได้กล่บวคุยถามหนาอยจังเพื่อได้โปรดที่แน่เพืนทางเขาครับ ในช่วงที่ผ่านมาพวกเราตั้งแต่วันที่13ปลายปีที่ผ่านมาเนเรารู้สึกทุกคนทั้งประเทศเหเชื่อว่าประมาณ 95% เราเป็นคนแคนดิบเดียวที่เกิดมาในสมัยรัชกาลที่9เราเมีความสูญเสียร่องท่านเกิดขึ้นเนี่ยเราผู้คนรู้สึกเหมือนกับทำฟ้าวก่อค้องข้องกันทั้งประเทศนะ ความรู้สึกร่วม ท, ที่คิดว่าทุกท่านคงจะรู้สึกแบบเดียวกันอยากจะขอกราบขอคาแนะนําจากอาจารย์ให้กดชี้แนะให้กับพวกเราทุกคนได้ทําใจอย่างไรวังใจอย่างไรแล้วก็เจะเดินต่อไปอย่างไรที่จะก้าวหน้าที่จะทําความดีต่อคือความเศร้าความเสียใจอะไรอาวอร์ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ อย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติธรรมมาเยอะแล้วทำไมยังเศร้ายัางอาลัยอาวร น, นะอันนี้เป็นธรรมดามากเพราะว่าเราไม่เคยเจอความสูญเสียแบบนีนะ้อย่างแล้วก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่านะสิ่งที่สำคัญของเราเนี่ย ก็คือการทำหน้าที่ที่เป็นประสงคนิกรที่ดีของในหลวงจนะาให้ความโศกเศร้าเนี่ยมันทาให้เราละเลยหน้าที่นี้โศกเศร้าได้แต่อย่าโศกเศร้านานโศกเศร้าได้แต่ว่าอย่าแน่นิ่งจนกระทั่งไม่มีเรื่องไม่มีแรงทำอะไรเรายังมีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ โดยพระหน้าที่ที่เป็นประสงฆ์ที่ก่อนที่ดีในหลวงก็คือว่าการทำคุณงานความดีการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะบางครั้งเนี่ยนะต้องระวังน ะ, ะว่ากิเลสมันจะช่วยโอกาสกิเลสเนี่ยมันช่วยโอกาสทุกอย่างนะวันวันปีใหม่วันสงกรานวันคริสต์มาสวัน ว, นเวนาเลนไทน์ก็หาช่องว่า ช่วงที่เป็นช่วงเทศกาลนะอย่าเพิ่งปฏิบัติธรรมเลยนะเราไปสนุกสนานกันดีกว่าในช่วงที่เป็นช่วงรื่นเริงนะอย่าเพิ่งดูหนังสือสอบเลยนะเราไปฉลองกันดีกว่าหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอย่เพิ่งออกกาลังกายเลยนะอยเพิ่งนั่งสมาธิเลยเราไปฉลองกันดีกว่าคือกิเลสมันจะคอยฉวัดอ ก, กาศหาโฟกาส ไม่ว่าโอกาสที่เป็นบวกหรือเป็นลบในช่วงนี้กิเลสมันก็หาโอกาสมกันนะเฮ้ยเรากำลังโสกเศร้าอะไรอวบ น, นะเดี๋ยวเพิ่งทํางานทําการเลยนะกำลังโสกเศร้าอะไรอวบเดี๋ยวเพิ่งดูหนังสืออย่าเพิ่งทำํำอะไรที่เราไม่อยากทําเนี่ยมันจะหาโอกาสอ้างเหตุว่าอย่าทําเลยเมื่อจะเป็นการทําสมาธิการออกกำลังกาย นะการอ่านหนังสือการคนก้าหาความรู้มันจะโชว์โอกาสว่าช่วงนี้เนี่ยเรายังนะยังยังไม่พร้อมนะนี่เราต้องระวังนะโศกเศร้าได้แต่ว่าอย่าให้กิเลสมันมาโชว์โอกาสเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทําสิ่งที่ควรทําหรือว่าสิ่งที่อยากจะทําแต่ใจไม่อยากจะทำอยูแล้ว นี่ประการต่อมาคือว่าเวลาโศกเศร้านี่นะธรรมาคิดว่าสิ่งที่จะช่วยได้คือการนึกถึงน้าพระทยและกุญงารความดีของในหลวงเวลาเรานึกถึงเนี่ยนะจิตใจมันจะเกิดความปิติจิตใจจะเกิดความยินดีเกิดความประทับใจหรือเกิดแรงบันดาลใจความรู้สึกแบบนี้เป็นกุศล ซึ่งมันจะช่วยผลักให้เราเนี่ยมีความเพียรอยากจะทำความดีและพอเราล ง, ลงมือไ ด, ได้ลงมือทำความดีนะให้ความเศร้ามันก็จะคลี่คลายไปหลายคนเนี่พอไปเป็นจิตอาสาที่สนามหลวงหรือว่าเป็นจิตอาสา ท, ทำความดีเพื่อสืบทาบันิทางพระองค์ที่ไหนก็ตามเนี่ยความเศร้ามันจะคลายไป ที่จริงเนะี่ยเพียงแค่การทำหน้าที่ของเราเนี่ยนะที่เป็นกิจวัตรอยู่แล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจทำเนี่ยก็จะช่วยลดความเศร้าโศกได้วันแรกๆนะวันที่สิบสี่เนี่ยนะเพื่อกะตมาคนนี้เป็นหมอเดี๋ยวก็เป็นอาจารย์แพทย์ไม่มีเรื่องมีตื่นขึ้นมาไม่มีเรื่องไม่มีแรงจะไปสอนหนังสือเลยนะเศร้านะมันหอเหี่ยวแต่ว่า มีงานต้องไปสอนก็เลยต้องไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะไปสอนได้หรือเปล่าไปถึงหน้าชั้นแล้วก็ต้องบอกนะักศึกษาว่านี่ครูก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงสอนหรือเปล่า น, นะแต่พอสอนไปสอนไปนะเครื่องก็เริ่มติดนะแล้วก็เริ่มที่จะมีมีกระจิกระจายการสอนมีสมาธิการสอนแล้วก็เริ่มกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะเพราะว่าได้อ่ ได้กลับมาทํางานพรากว่าสอนอย่างสนุกเลยนะทั้งชั่วโมงเลยไล้ความเศร้านี่มันคลายไปเลยแต่พอเลิกสอนนะกลับไปบ้านเปิดคอมนะเศร้าใหม่ฉะนั้น <c oughs> อย่าอย่าไปอยู่หน้าคอมนานนะอย่าไปอยู่หน้าคอมหรือว่าไปเปิดไลน์นานหรือเปิดโทรทัศน์นานนะ ดูพอประมาณนะแล้วก็พยายามที่จะทำกิจวัตรอย่างที่เราเคยทำโดยเฉพาะอะไรที่ทำดีๆอยู่แล้วเนี่ยเช่นการทำสมาธิการออกกำลังกายนะขอให้ทำนะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยหลุดจากอารมณ์นะที่เป็นความเศร้าโศกได้ แทนที่จะนึกถึงการจากแปลงพระองค์ให้เรานึกถึงความดีที่พระองค์ได้ทำซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสัจจ์หลายอย่างมันจะเกิดสิ่งกระตุ้นให้เราอยากทำความดนะีเช่นการที่พระองค์มีความเพียรดานต้นไปช่วยเหลือะสมนิกกรัสดอนในที่ไกล โดยที่ไม่ถือพระองค์ขับรถพระที่นั่งโดยพระองค์เองนะคนตํเาเลวสิทธิเกศเตยกุญชรเล่าว่าเนี่ยเวลาโปร่งเสร็จไปที่ธุรกันดารพุ่พงขับรถเองนะขับรถเสร็จก็บางทีก็ต้องเดินต่อก็ทําพระราชกิจคุอกับชาวบ้านหลายชั่วโมงเสร็จกลับมานั่งรถกลับมาขับรถ คล้บริพารเนี่ยมีคนขับรถเองมีคนขับรถให้นะก็นั่งหลับแต่พงษ์ก็ยังขับรถต่อนะ <c oughs> โอคือถ้าเราฟังเรื่องนี้ถนะ้ามันเกิดแรงบันดาลใจนะโอ้โขณาที่พระองค์เนี่ยไม่ถือเนื้อถือตัวเลยนะบำเพ็ญบำเพ็ญธรรมที่เรียกว่ามัถวะมัถวะเนี่ยก็คือว่าความความไม่ถือเนื้อถือตัวนะความ ไม่ไม่มีเจ้าเจ้าเจ้าอย่างไม่มีพิธีรีอตองมุ่งแต่บำเพ็ประโยชน์กับนี่พอเราเห็นเนี่ยเออมันทําให้เราเนี่ยอยากจะบําเพ็ญอย่างพระองค์บ้างคือไม่ไม่มียศไม่มีอย่างไม่มีเจ้าไม่เป็นเจ้าเจ้าไม่ไม่เป็นเจ้ า, เ จ, า, เ, จาเจ้าอย่างบางคนเนี่ยเป็นพ่อแม่นีก็อาจจะถือสําคัญตัวว่าสูงกว่าลูกเป็นเป็นข้าราชการก็ถือตัวเนี่ยเราเหนือกว่ารัษฎร เป็นครูก็เหนือกว่า น, นักเรียนเป็นขอ อ, อก็ถือว่าเราเนี่ยนะสำคัญตัวสูงกว่าครูน้อยผ่ยานโรงเนี่ยถ้าเราเลิกฟังเรื่องราวแบนนี้นะเออมันทำให้เราเนี่ยนะเห็นความสำคัญก า, การที่จะไม่ถือเนื้อถือตัวในลักษณะที่ว่าไม่มีพิธีเลตองหรือเจ้ายายในการที่จะทำประโยนให้กับผู้อื่น สิ่งเหานี้เนี่ยมันทำให้เกิดแรงบนนันดาลใจที่จะทําความดีและแรงบันดาลใจและการที่ได้ทําความดีเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาความเศร้าหรืออย่างก็คือเป็นการเปลี่ยนความเศร้าเนี่ยความอาลัยให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนในการทําความดีซึ่ง ก, ก็คือสิ่งที่พระองค์นะต้องประสงค์นะจากประสงค์นิกร์นะั้นอยากจะย้านะว่าเศร้าได้จะเศร้านานนะ เศร้าได้แต่ว่าอย่าละเลยหน้าทีนะ่พยายามลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำความดีทุกวันนะไม่มีใครเห็นแต่เราก็รู้อยู่กับใจว่าเออเราได้ปฏิบัติตัวได้สมกับเป็นประสงค์นิกรที่ดีของพระองค์หรือเปล่านะอันนี้แหละที่มาช่วยทำให้ความ เศร้าโศกความอะลัยวอนเนี่ยมันมันไม่บั่นทอนจิตใจแต่มันจะเกิดผลดีนะกับเราเองแล้วกับคนข้างเคียงแล้วก็ส่วนรวมด้วยคดีคัถ้าไม่มีผมขอคือโอกาสร่างงานก็ก็เป็นตัวแทนของญาติพี่สาวของพ่อม่นะครับตันนี้มีการทำบุญ บูชาธรรมประจานนะครับเป็นของการบัดขนมันตะวันและกองคูณวิปั ส, สนา